ทุกครั้งหลังจากเราบรรยายเสร็จทำความเข้าใจกันชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแยกเป็นสองกลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมาเลยเราก็จะให้ไปสาธิตทำความเข้าใจก่อนว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำมาแล้วได้อะไรทำอย่างไรถึงจะถูกไปทำความเข้าใจจนนั้นชัดเจนแล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพอกลับเข้ามาใหม่นี่ก็เป็นการอ่า มาลองก็ถึงเวลาเพนนะทีนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีพื้นที่สองพื้นที่พื้นที่สำหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาแล้วก็จะใช้ตรงนี้ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่สําหรับอีกกลุ่มหนึ่งคนที่มาใหม่สําหรับเรื่องนี้จริงๆเราก็จะแยกไปอีกพื้นที่นี้เพราะว่าการบรรยายช่วงที่สองอช่วงแรกเนี่ยเป็นทั่ ว, วไปบรรยายช่วงที่สองตรงที่ไปสาธิต สำหรับกลุ่มที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็จะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งสำหรับกลุ่มที่เพิ่งมาใหม่ก็จะให้ไปฝึกสาธิตการเดินโยกมุมสร้างจังหวะวันนี้เรามีพระอาจารย์สมพง์มาจากวัดถ้ำแสงเทียนแล้วก็พระติดตามซึ่งตรงนั้นเมื่อก่อนอาตมาก็พาท่านปฏิบัตินั้นเกือบสิปีท่านก็พอทำงานช่วยได้วันนี้ท่านก็เดินทางมาช่วย ย่งก็ในช่วงที่สองอาจารย์ผมก็จะนํากลุ่มใหม่ออกไปซึ่งพอไปเมื่อตรงนี้ถูกยึดแล้วหลวงพเลยขึ้นไปติดต่อกข้างบนที่ช้านี่นะดอกข้างบนก็มีสองพื้นที่ถ้าเป็นกลุ่มเกิน 30- มสิบหรือสี่สินไปของกลุ่มใหม่แล้วก็จะใช้แอรเรียข้างนอกซึ่งกว้างแต่ถ้าไม่เกินยี่คนเราก็จะใช้ห้องประชุมซึ่งเป็นห้องแอร์ด้วยอันนี้ถแถลงว่าทําไมต้องมาช้าวันนี้ด้วยความจำเป็นอย่างนี้นะเอาละ ในเรื่องวันนี้ที่เราจะพูดวันนี้ในเรื่องของมันมีข้อมูลว่าเราเข้าใจเรื่องของสมถะและวิปัสนาไม่ชัดเจนเราทําสมถะเขาคิดว่าเป็นวิปัสนาเราทําวิปัสนาก็คิดว่าเป็นสมถะเลยไม่รู้ชัดเจนว่าสมถะวิปัสนาควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังแล้วควรจะทําอย่างไรถึงจะถูกต้องอันนี้เราพูดใน รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่เทียนเราจําเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นนะเพราะว่ามันมีเหตุให้ต้องพูดเพราะว่าบางคนบอกวาทำวิปัสสนามาตลอดทํำไมเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าวิปัสสนามันไม่มีปัญหาแบบนี้นะตั้งแต่เดือนภายในเดือนนี้มาเจอเคส หลายๆเคตคือเลยว่าเออในที่ประชุมของเราก็น่าจะมีปัญหาแบบเดียวกันเลยนําเรื่องนี้มามากล่าวเป็นอันดับแรกนะเออเคสแรกเอาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก่อนเอาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก่อนว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นสมถะใครเป็นวิปัสนาโดยเฉพาะผู้นําภาวนาหรือเป็นอาจารย์คนแรกของเราเนี่ยเราจะรู้ได้งไงว่าท่านเป็นสมถะ แต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นสมถะนะส่วนใหญ่ก็อยากเป็นวิปัสนาทั้งนั้นนะ่ะมันแอดวานกว่าไงแค่ถูกว่าเป็นสมถะค่อน ข, ข้างจะเบสิกเกินไปนะนั้นก็เลยว่าเมื่อวานเนี่ยก็รถของที่มาจากเท่านี่นะเราก็เรามาสายวิปัสนาคือรัดฟ้ามาแตออ่อีกรถที่มาจากเท่า ม, มาสายสมถะคือมาตามถนนนะนี่มาตามถนนเราก็เข้าเที่วเวลาไล่เรียกกันนะ่ะ เราออกจากพแพร่ชั่วโมงหนึ่งมาถึงที่นี่ประมาณห้าโมง อ, อนู้นเกือบสี่โมงที่เขาออกจากถ้ำมาประมาณใกล้เที่ยงมาถึงนี่ประมาณห้าโมงเหมือนกันก็รถก็เข้ามาก่อนมามาถึงที่คุณรู้สติดังนานนะก็ถามว่ารถอยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่นี่นโอเคพอมาถึงตรงใกล้ๆนี่แหละจะแยกเข้ามาตรงนี้ปรากฏว่าคนก็เคยมาแล้วนะแต่ว่าไม่คุ้นทาง ผมไปคุ้นทางมันก็มาถึงทางสามเพ่งนีอันนี้ไปใต้อันนี้มาเหนืออันนี้ไปตรงพอไปถึงตรงนี้จะไปทางไหนดีทางไหนดีกำลังจะปรึกษากันที่ไหนด้เพอหักลงไปทางนั้นแล้วหักลงไปทางใต้ก็ดีเกือบไปถึงนะครปฐมเนี่ยกว่าจะย้อนกลับคืนมาทางพระรามสองได้สามชั่วโมงอ๋อามาก็ได้คิดทันทีอ๋อตัวนี้เองเป็นสมถะได้วิปัสนา ว่าเราจะรู้อาจารย์องค์ไหนสอนสมถะวิปัสนาเมื่อไปถึงตรงทางสามเพ่งถ้านจะชี้เราไปตรงไหนนะทางสามเพ่งทางสมถะวิปัสนาแล้วทางสายกลางนะถ้าไปทางขวาเป็นสมถะทางซ้ายเป็นวิปัสนาไปทางตรงเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาเราจะไปทางไหนอ่าแยกยงว่าจะไปทางไหนดีทาง ที่หมายเพราะว่าทางสมถะและวิปัสนาเป็นทางตรงคือตรงไปพระรามสองจะไปเลี้ยวค่อยซอยสามสุเบศวัดเยร่ยมใช่ไหมเข้ามาทางสายนั้นแต่ทางซ้ายเป็นทางวิปัสนาโดยตรงเลี้ยวลงประชาอุทิศ ต, ตรงมาคุลุสติเลยทีนี้ผู้นําทางก็เหมือนผู้ปพาปฏิบัติเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรผู้นําเรามานําขบวนเรามานี่หรือครูบาอาจารย์นําเรามาเนี่ย เขาจะพาเลี้ยวถูกเลี้ยวผิดตรงนั้นถรกว่าเป็นจุดสำคัญ <c oughs> คนในรถก็รุนกันเที่ว่าซเฟอร์จะพาลงไปทางไหนใช่ไหมที่คนที่เคยมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจควจะมาถึงวัดกอนุนสองสามทุ่มนะมาถึงที่คฤหัสถ์ดีันใดก็ดีที่นำเรื่องบริบทเรื่องนี้มานำเพื่อจะเห็นว่าในเบื้องต้นน่ทุกคนมีนิสัยเป็นสมระ มาทุกคนเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีสมถ tha นชีวิตเลยเราจะเรียนไม่จบเราจะทางานไม่ได้เพราะสมถ t h แปลว่าความอะไรความสงบใจระดับหนึ่งแต่ต่างกับจะสมาธินะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นใช่ไหยความตั้งมั่นของจิตสมถ t h แปลว่าความสงบจิตความสงบกับความตั้งมั่นเหมือนกันหรือต่างกันฮะ ถ้าความตั้งมั่นหมายถึงว่าหลักนั้นต้องมีรากใช่ไหมคือต้องมีการฝังลงไปเพืออตั้งมั่นแต่สงบเหมือนก้อนหินที่วางอยู่บนดินสงบไหมเหมือนไม้ที่วางอยู่บนดินสงบไหมเพราะนั้นคำว่าสงบหมายถึงมันไม่มีรากที่จะฝังแต่ถ้าหากว่าเป็นสมาธิเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ส่วนใหญ่เราฝึกสมถะคือทาจิตให้สงบทาจิตให้สงบมาก็วิธีไหนก็ตาม อย่างการเคลื่อนไหวเนี่ยยกมือไปสักพักแลจิตก็สงบใช่ไหมทีนี้ก็เป็นสมถะอยู่แต่สมถะมีอยู่สองแบบหนึ่งสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนาสองสมถะที่เอื้อต่อพราหมณ์หรือฮินดูเรียกว่าสมถะแบบพราหมณ์ก็เป็นสมถาแบบพุทธมาใช้แบบนี้นะสมถะวิธีพุทธและสมถะวิธีพราหมณ์แต่ที่เราเติบโตมาก่อนนั้นเป็นสมถะแบบวิถีพราหมณ์ คือหมายความว่าเราจะใช้ความตั้งใจความสงบใจแล้วก็ความตั้งมั่นของกายความตั้งมั่นของจิตเพื่อให้จิตสงบเพราะตลอดเวลาเนี่ยอายตนะของเราเนี่ยถูกรุกรางด้วยสิ่งกระทบกระแทกตลอดเวลาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วถ้าเราไม่มีสมาธิจิตของเราก็จะวกแวกไปกับ สิ่งที่มากระทบใช่ไหมแม้แต่การเรียนก็เช่นเดียวกันทุกวันเนี่ยเราเรียนกันไม่ค่อยจบหรือเรียนกันออกมาไม่ค่อยดีเพราะจิตของเราวอกแวกไปที่ไหนบ้างมีสิ่งที่จะพาวอกแวกไปเยอะหรือเกินใช่ไหมทางตาเขาวอกแวกกับอะไรโอวันนี้นั่งเช็คไลน์มาตลอดเลยนะนั่งมนในรถเอาเราไปแล้วหนึ่งทางแล้วใช่ไหมอ๋อในไลน์มีส่งวิดีโอมาด้วยเหรอเออเรื่องอะไรนะไปแล้วใช่ไหมอินเข้าไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจิตแล้วก็ไหลไปตามนั้น สมถะล้วอยู่ไหมไม่อยู่ละไปละไม่สงบละอันใดก็ตามที่มันดึงจิตออกจากตัวเราไปเนี่ยนั่นก็หมายเขาว่ากายกับใจไม่อยู่ด้วยกันเมื่อกายกับใจไม่อยู่ด้วยกันนั้นสมาธิแล้วก็ไปด้วยสมถะนั้นอาจจะอยู่แต่กายหรือใจส่วนใดส่วนหนึ่งแต่สมาธินั้นต้องอยู่ทั้งกายทั้งใจเพราะฉะนั้นจุดแยกว่าสมถะแบบพรามหรือสมถะแบบพุทธ อยู่ตรงที่ว่าถ้าสมาถิแบบพรามนั้นเอานิมิตภายนอกและร่วมกับนิมิตภายในเป็นอารมณ์เช่นเพ่งอะไรเพ่งรูปประคำรูปประคำนี้เป็นนิมิตภายนอกหรือภายในภายนอกด้วยใช่ไหมแล้วก็มือไหวเป็นนิมิตภายในด้วยเราเพ่งสีเพ่งแสงเพ่งรูปเพ่งเทียนเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งเพ่งพุทธลูปเพ่ง อะไรก็ตามที่อยู่ตรงหน้าอันนั้นเป็นนิมิตภายนอกใช่ไหมเป็น external object ซึ่งมันก็จะดึงจิตออกทีนี้เอาละทีนี้เราโน้โนมใกล้เข้ามากําหนดลมหายใจลมหายใจนี่เป็นนิมิตภายนอกหรือภายในเป็นทั้งภายนอกและภายในหายใจออกไปใช่ไหมอ่ามันเป็นภายในหายใจเข้ามาเป็นภายนอกกลับกันไปกลับกันมาถ้าเพ่งพุทธลูกหรือนิมิตข้างในสีแสงกําหนดแสงสว่างขึ้นมากําหนด ความสงบ ข, ขึ้นมาในจิตก็เป็นนิมิตภายในทั้งนั้นในส่วนนี้เองที่เราเอานิมิตเป็นอารมณ์จะว่าไม่ว่ารูปภายนอกหรือรูปภายในก็ตามต่างก็เป็นสมถะเข้าใจนะต่างก็เป็นสมถะแบบทั้งพุทธและพราหมณ์แต่ถ้าเป็นพราหมณ์นั้นส่วนใหญ่จะเพ่งนิมิตที่เป็นภายนอก มากกว่าแต่ถ้าเป็นพุทธกับเข้าวปาเป็นนิมิตภายในนิมิตภายในตรงนี้คืออะไรอ่ามีสองนิมิตหนึ่งนิมิตภายในที่เป็นรูปและเป็นนิมิตภายในที่เป็นนามเอาละในกรณีที่หนึ่งอาตมาเลยหลวงพ่อยกเรื่องของโชเฟอร์หลุงทางเข้ามาว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้สำคัญในการเราจะชี้นาไปติดอะไร ไปติดสมถะหรือวิปัสนาหรือไปทั้งสมถะหรือวิปัสนาอยู่ตรงนั้นด้วยทีนี้ตัวอย่างที่สองเมื่อวานมีลายเข้ามาปุ้งนะี่ยงพ่อก็เปิดดูเอ๊หนูปฏิบัติไปนานๆรู้สึกมันเกิดปีตินะีปฏิบัติยกมือเนี่ยมาหลายรอบแนละ้วมันเกิดปีติเกิดปีติยกมือแล้วก็กลับมาดูลม ยกมือไปด้วยกับมาดูลมไปด้วยเกิดปิติทุกครั้งถ้าอย่างนั้นคุณดูลมหายใจกับดูธาตุลมเนี่ยต่างกันไหมต่างกันดูลมหายใจดูเฉพาะส่วนที่ลมเข้าออกใช่ไหมดูมือยกก็เหมือนลมหายใจใช่ไหมยกก็มาดูคือดูเฉพาะส่วนดูเฉพาะส่วนถ้าเราไปดูลมหรือไปดูที่มืออันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าเราไปดูอาการของลม อาการคลองลมคืออะไรอาการคลองดินคือหนึ่งแล้วนั่งอยู่ได้โดยไม่ล้มเป็นอาการคลองดินใช่ไหมตั้งตรงแข็งอาการของดินอาการของน้าเป็นยังไงเย็นลื่นไหลอาการคองลมเป็นยังไงหับตาอ้าปากหายใจเหลซ้ายอะไรกว่าอาการของลมมันจะเป็นอาการทั้งหมดทั้งตัวจะเคลื่อนไหวมากน้อย ขันไหนก็ตามเรียกว่าอาการเอาเพียงอาการของมันลักษณะที่เราเพียงอาการของนี้เรียกว่าสมถะแบบพุทธคือเอาเพียงอาการของรูปแต่ไม่ได้เอาตัวรูปแต่ถ้าคุณไปเพ่งตัวลมหายใจลำลมหายใจเนี่ยมันเป็นตัวลมซึ่งเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปของลม แต่ไม่แต่อาการของลมมันไม่ใช่แค่อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวคุณจะภาพตาปากหายใจเหลวไส้ะไรหัวพุ่มเงยคุณเดิย่นี้เป็นอาการของลมใช่ไหมคืออาการของการเคลื่อนไหวถ้าคุณไปเพ่งที่เท้านี่เพ่งอาการหรือเพ่งลูกเพ่งลูกของเท้าใช่ไหมแต่คุณเวลาเหยียบแล้วคุณมีอาการเป็นไงบอกอาการได้ไหมเวลาเดินนั่งอย่างนี้มีอาการไงหนักหรือเบาที่ที่ทตะโคกอะ่ะหนักใช่ไหมแล้วคุณขยับขึ้น เบาใช่ไหมเพราะนั้นอาการหนักหรือเบานี่เป็นอาการของอะไรดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นในตัวสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนานั้นเอาเพียงอาการแต่ถ้าเป็นสมถะที่ไม่เอื้อต่อวิปัสสนานั้นเอาตัวที่รูปของมันรูปของเท้าที่เหยียบรูปของลมที่วิ่งเข้าออกนะไปเพ่งเป็นส่วนย่อย ลักษณะที่เป็นเพียงเอาส่วนย่อยมาพิจารณาเรียกว่าเป็นสมถะไปคือยังไม่ได้กล่าวว่าเป็นพราหมณ์โดยตรงนะแต่มีส่วนร่วมมาทางนั้นละ่ะเพราะมันแยกส่วนปัจจุบันนี้เราชอบใช้คําว่าอะไรองค์รวมใช่ไหมโฮลิสติกองค์รวมหรือใช้คําว่าบูรณาการหมายของว่ า, างไงหมายของว่าในหนึ่งนั้นนะ่ะในตัวเรามีาธาตุกี่าธาตุ <4. S 1> ้าโดยรูปมีแค่ธาตุสี่ ถ้าเป็นน้ำเขาเรียกว่าธาตุหใช่ไหมถ้าสี่ดินน้ําลมไฟอากาศและวิญญาณอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะรูปมันมีสี่คือดินน้ําลมไฟแต่บวกน้ำก็ด้วยมันมีหกบวกอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยเรียกว่าขันห้าเรารู้รู้ในนามว่าขันห้าเราไม่เรียกว่าธาตุหนะเพราะฉะนั้นธาตุสี่ขันห้าก็คือธาตุสี่กับธาตุหกนั่นเองแต่เรามาเรียกภาษาปริยัญชนะเรียกขันห้า มันมีวิญญาณอยู่ด้วยใช่ไหมเอาล่ะสับสนไหมคนใหม่คุณใหม่ฟังไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งมาเอาเอ า, เอาเหตุผลตัวนี้นะเพราะในที่นี้เป็นการรวมทั้งคนใหม่คนเก่าว่าหลวงพ่อกำลังชี้แจงว่าเออเมื่อคุณเอาแต่ลมหายใจอันนี้เขาถามมาในไลน์นะหลวงพ่อบอกว่าใช่มันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นอารมณ์สมถะคุณไปดูแต่ลมเนี่ยมันก็จะติดใส่นานๆเข้าไปไง เกิด ต, ตัวเบาปิติใช่ไหมมันก็เปิดอย่างนี้ทุกครั้งแต่ให้คุณดูอาการในขณะที่คุณนั่งเนี่ยอาการของคุณมีอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงหนักตัวนี้เป็นอาการของท่าสี่ใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงหนักเบาเข้าออกพวกนี้เป็นอาการของรูปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีแค่ลมใช่ไหมมันไม่ใช่มีแค่รูปส่วนใดส่วนหนึ่ง เข้าใจเออถ้างั้นคุณไปตั้งท่าทําให้ถูกก็แล้วกันอันนี้ตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สองว่าคือจะพูดถึงเรื่องสมถภูิปัสนาในแง่ของวิชาการนะ่ะมันเป็นนามธรรมเข้าใจยากใช่ไหมแต่พอยกเหตุการณ์นี้มาให้เห็นภาพนะว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ยังใหม่ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ยเขาก็จะฟังออกว่าอ๋อในส่วนเอาแต่รูปก็คือเอาส่วนไดส่วนห น, นึ่งอันในอาการสามดีสองเนี่ย ในอายุวะส2สสองชิ้นเนี่ยเอาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเพ่งตัวนั้นเ็าเรียกเป็นรูปที่เป็นนิมิตของสมถะแต่ทั้งหมดอาการส2สองเนี่ยอายวะส2ชิ้นในภาษาของกายท่านใช้ว่าทวติงสาการ อาการของอายะสามสบสองชิ้นมันแสดงออกมาสองอาการสอาการสี่อาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงหนักเบาใช่ไหมอันนี้เป็นอาการเราก็อาการนี้เนี่ยทั้งหมดเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงหนักเบานี่มันจะมีรวมๆแล้วมันจะมีอาการเหลือแค่สองอาการคืออะไรอาการหนักเบาถ้าเป็นอาการของจิตก็คือสบายและไม่สบายหรือเข้าไปเป็นอาการของอารมณ์ก็คือพอใจ ไม่พอใจใช่ไหมถ้าหนักรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบรวมเป็นอาการเดียวเลยคือหนักถ้าอาการเบาสบายก็เป็นอาการที่เบาเกิดความพอใจสบายทนได้ง่ายใช่ไหมก็จะมีแค่สองอย่างเพราะนั้นให้ดูที่อาการแล้วนั่งนานๆฟังนานๆโอ้สิบนาทียี่สิบนาทีพอทนไหวใช่ไหมพอเข้าไปครึ่งชั่วโมง เป็นไงอาการที่หนักแ้่พวกนี้มันเริ่มกินอาการกินเนื้อที่ถึงไหนถึงหลังถึงเอวถึงไหลใช่ไหมถ้าคนไหนตั้งใจฟังเกินไปก็เป็นไงก็จะ เ, เกิดอาการเกร็งใช่ไหมเสียงนี่ถ้ามัพกกระแทกดังเกินไปมันก็ไปแทะหูเรารู้สึกหนักใช่ไหมถ้าเสียงนิ่มๆนุ่มๆก็ชวนหลับอย่างนี้เป็นต้นน่ะอาการเหล่านี้มันปรากฏตลอดเวลา แต่ให้เอาอาการเหล่านี้มาเอาอันนี้คือสัตวะอาการสัตว์อาการอาการว่าขณะ น, นี้ถ้าเราไปนั่งคุยกันข้างนอกอาการก็จะร้อนใช่ไหมแต่มานั่งคุยกันที่อาการกับเย็นเป็นอาการของอะไรอาการของธาตุอะไรที่เย็นเนี่ยธาตุไฟเหรอาเย็นนะเราไม่ทันเรานั่งตรงนี้แอร์เป็นอาการของธาตุน้ํา ถ้าไปข้างนอกถูกแสงแดดมากเป็นอาการของธาตุไฟเรานั่งตรงนี้น้ําหนักของเราตรงนี้หลายสิบ ก, กิโลทับลมตรงแข้งตรงขาเราเป็นอาการของธาตุดินเราสามารถขึ้นไหวได้ไปมาเป็นอาการของธาตุลมแล้วก็สามารถรับรู้สื่อได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายขณะนี้หลวงพ่อพูดอะไรแล้วอาการารู้สึกร่วงเบาหนักบ่อยแล้วรับรู้เป็นอาการของธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ อันนี้คือในส่วนที่แยกให้เห็นว่าทั้งสมถะแบบพุทธคือเพ่งเอาเพียงอวยะและวัตถุเป็นส่วนส่วนอ้สมถะแบบพรามนะสมถะแบบพรามนั้นเพ่งเอาวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์และมาแยกเอาเพ่งวัตถุภายในเป็นอายวะสามสิบสองเป็นส่วนส่วนเป็นอารมณ์เรียกว่าเอารูปเป็นอารมณ์อ่าทีนี้สมถะ แบบพุทธนั้นเอาอาการของสาสิบสองส่วนมีเพียงสองอาการคือหนักเบาสบายไม่สบายสุขทุกข์ชอบไม่ชอบเป็นอารมณ์เอาเพียงอาการข้อมันอันนี้เป็นสมถะแบบพุทธเอื้อต่อวิปัสสนาเอื้อต่อวิปัสสนาถามว่าอาการเหล่านี้เกิดเพราะอะไรหนักที่เกิดเพราะอะไรอ่ะ ทีนี้ก็จะเข้าสู่วิปัสสนานะว่าสมถะที่นี่กรเอื้อต่อวิปัสสนาอย่างไรอาการที่เรานั่งหนักหรือเบาเนี่ยเป็นอาการของอะไรอาการของรูปหรืออาการของนามอาการของรูปรูปของเราทั้งหมดรูปทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎของอะไรกฎของไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเรานั่งลงเรารู้สึกหนั เวลารายืนขึ้นรู้สึกเบาอัที่ยังทงาํางานยังไงทํางานเพราะในตัวของเรานี้มีการหมุนเวียนของอะไรตลอดเวลาถ้าสีดีน้ํะลมไฟทํางานตลอดเวลาใช่ไหมแต่ในเมื่อเรานั่งลงปั๊บเนี่ยอาการหนักปรากฏใช่ไหมอาการหนักมาจากไหนอาการหนักมาจากการหมุนเวียนของเลือดลมที่มันทํางานตลอดเวลาเนี่ย blood circulation อแอร์สึกเลยหมุนเวียนตลอด เ, เวลาแต่เมื่อเรานั่งปั๊บเนี่ยหมายความว่าเราไปนั่งทับอะไรทับการหมุนเวียนใช่ไหมท่อเลือดท่อลมเลือดเส้นน้อยเส้นใหญ่เส้นอะไรก็ตามที่เราทับลงไปการหมุนเวียนของเลือดลมสะดวกไหมไม่สะดวกเกิดการต่อต้านคือการต่อต้านรู้สึกเป็นไงหนักใช่ไหมอ่านั้นคือกฎของอนิจจังก่อให้เกิดอะไรทุกขังคือหนักเอาละต่อเมื่อเรามีารู้สึกหนัก น้ำคานลุกขึ้นเบาการลุกมีสองอย่างคุณลุกแบบสมถะเลยลุกแบบวิปสนาถ้าลุกแบบสมถะคุณรู้สึกไม่สบายคุณก็ลุกเลยความเบาก็ปรากฏเหมือนกันความสบายใจปรากฏเหมือนกันใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าความหนักหายไปได้ไงความเบาปรากฏขึ้นไดงไงรู้ไหมรู้กระบวนการนั้นไหมไม่รู้ตรงนี้จึงไม่เป็นวิปัสนาแต่คุณตามรู้ได้ขณะดที่เบานะพอฉันนั่งลงปั๊บเนี่ยอาการหนักปรากฏ เราก็เห็นว่าอาการหนักมาจากไหนใช่ไหมมาจากอานิจจังนะเดงพอลุกขึ้นก็รู้ว่าความหนักหายไปไหนอ๋อหายไปจากเพราะเป็นอานิจจังหนักไปแล้วทําไมถึงหนักเพราะการทํางานของเพราะการทับลงไปเป็นการทับการทํางานของอานิจจังเราไปบล็อกการทํางานของอนิจจังมันเกิดคุกอะไรทุกขังอ่าทีนี้พอนั่งลงไปนอาการหนักทีนี้เราจะสั่งมันว่าไอ้เจ้าทุกขังความหนักขนาดเนี้ยจงหายไปเนี่ยมันหายไปยังที่เราสั่งไหมเพราะอะไร ขณะ น, น, นี้เวลาอนามารุขึ้นอามาก็สั่งบวะ่าให้หนักเหมือนเดิมนะมันจะฟังไหมอาการที่มันไม่ฟังเราเราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอาการของอะไรอนัตตาเพราะนั้นการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังนาตาต้องหยิบมาพิจารณาไหมไม่ต้องหยิบ เพียงแต่กำรู้กำหนดรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการเดี๋าวนี้ชัดๆมันก็เป็นวิปัสนาแต่คุณไปพิจารณาว่าเอออันนี้เป็นอ น, นิีจังนะทุกขังหน้าตาอันนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะท่านบอกว่าอารมณ์วิปัสนาคืออั น, นิีจังทุกขังหน้าตาใช่ไหมแต่เอาตัวอาการของมันถ้าเราไปเอาตัวอาการมาบริกรรมปับ๊บมันกลายเป็นสมถนะนะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม มีอาจารย์คนหนึ่งอันนี้ไม่ต้องเอ่ยนามนะท่านไปสอนเรื่องอันนี้จังทุกขังหน้าตาเห็นใบไม้หล่นมาเห็นไหมคุณไม่เห็นไหมมันเป็นอันนีจังทุกขังหน้าตา เ, าเห็นน้ําเมื่อกี้มันตรงนั้นมันถูกแสงแดดเผาระเหยเมื่อกี้มันมีอยู่เดี๋ยวนี้มันระเหยไปแล้วเห็นอาการอันนี้จังทุกขังหน้าตาถามว่าเราพิจารณาอาการทุกขังหน้าแบบนี้ถูกหรือผิดไม่ถูกและไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นอาการของสมถะแบบไหนสมถะแบบพูดหรือแบบพราม นะแม่ชีนี่ก็ทําตามเต็มที่ปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่เดือนเกรงยกมือไม่ขึ้นอ่ะเกรงทั้งตัวเลยมันเครียดทีนี้ก็เขาก็ตามหาหลวงพ่อตามอาตามาว่าจะแก้ไขยังไงหลวงพ่อโอ้อันนี้มันติดมานานจะมาแก้ไขเดี๋ยวเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวข้อนี้ไปเข้าที่นี่นะหลวงพ่อพามาเข้าคออข้ อ, ข อ, ขอนึงอนะันน เขานึงกลับไปโอ้ปรากฏว่ามันหายหมดเลยว่างั้นนะแล้วก็เปิดซ้ําอีกคอสเปิดที่บ้านเข้าเลยสองคอสสาคอสสี่คอสออกมาเลยประจําเดือนเลยตัวนี้นะจากช่วงยี่สิบถึงสามสิบทุกเดือนที่เชียงใหม่เพราะนั้นจะเห็นว่าอันเนี้ยบางทีเราสั่งสมอารมณ์พวกนี้มาทเลนิเลนิดเลนนิ ด, น ด, นดแต่เราไม่รู้เราแก้ไขไม่ได้อาจารย์เองก็ไม่รู้เพราะอาจารย์เองคิดว่าสอนวิปัสสนาแต่ความจริงก็คือสอนอะไรสมรถะรู้ได้เป็นสมระเพราะผลออกมามันบอกว่าเป็นสมรรถคือไม่สบาย นะคือไม่สบายตอนนั้นในณจุดนี้เพราะการไม่ทำงานของอะไรอ น, นิจจังอ น, นิจจังไม่ทำงานนะใช่เ <c oughs> มืม่ออ น, นิจจังไม่ทำงานทุกขังัก็เกิดขึ้นไงแต่ถ้าอ น, นิจจังทำงานมันก็หมุนปัญหาก็ไม่เกิดดังนั้นเองอ น, นิจจังทุกขังอากาเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา อนิจังทุกขังอนัตตากับวัตถุภายนอกตึกหลังนี้เป็นอนิจังไหมเป็นใช่เมื่อก่อนเมื่อย้อนหลังไปคนนี้สิบยี่สิบปีเนี่ยวัตถุเหล่านี้อยู่ที่ไหนใช่ไหมมันก็มารวมตัวกันที่นี่เป็นตึกแล้วหลังจากนี้ไปสักร้อยสองร้อยปีอาคารหลังนี้ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วในการทํางานเพราะนั้นการทํางานของอนิจังทุกขังอนัตตาภายนอกมันช้ามากกินเวลาที่ยาว ท่านจึงไม่เอาผู้ที่เจ้าท่านจึงไม่เอาเป็นหลักเพื่อการที่จะเข้าถึงธรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวที่การเปลี่ยนแปลงเป็นนิจังทุกครั้งอนัตตาอย่างสูงสุดคืออะไรเอาง่ายๆว่าโ ย, ยมมานั่งเนี่ยภายในชั่วโมงเนี่ยโยมคิดไปกี่เรื่องแล้วหลายเรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้ด้วยคิดเรื่องอะไรอันนี้คือการทํางานของอ น, นิจังมันผ่านไปหลายเรื่องแล้ว ในขณะเดียวกันตึกหลังนี้มันจะเปลี่ยนได้อีกสร้อยสองร้อปีแต่ความคิดเข้ามานี่มนไม่ถึงชั่วโมงมันเปลี่ยนไปรู้กี่สิบอย่างแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวสุดยอดของการทํางานนี้จังดึงกลับมาดูที่กายที่ใจเมื่อใดกายกับใจไปด้วยกันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนี้เป็นสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนาแต่เรา ดูกายก็ดีดูใจก็เดียวแต่ว่าไม่เห็นกายไม่เห็นใจสัมพันธ์กันชัดเจนว่ากายใจสมคัญแก่นะเห็นตรงนี้ไม่ชัดเจนเรียกว่าไม่มีตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นในตัวสรุปของสติปัฏฐานทุกหมวดจะใช้คาว่าอาตาปีสัมปชาโนสติอาตาปีสัมปชาโนสติม า, า, า, ม า, มาวิเนยยโลเกอพิชาโทมนะสัง ตั้งแต่กายเวทนาจุดดำทั้ง4ี่จุดสรุปไว้ตรงนี้เพราะนั้นคีย์เวิร์ดของมันก็คืออาตาปีสัมปชาโนโอสติมาอัตาปีหมายถึงว่า เ, เรายกนะในรูปแบบนี้นะในรูปแบบเรายกแบบนี้ถ้าไปอีกแห่งเดก็จะใช้เนาะไปอีกรูปแบบหรือใช้พูดโทรใจอีกแบบหรือใช้นับลมหายใจไปก็แล้วแต่อันนั้นคือวิธีการไม่ถูกไม่ผิดแต่จะถูกหรือไม่ถูกจะผิดหรือผิดอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจอาการเหล่านี้ว่าอย่างไร ช้อนคุณจะไปตักกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้คุณจะไปตักกินแกงอะไรไปรลายอย่างพื่อย่างคุณตักได้หมดแต่อาหารเนี่ยจะต้องให้คุณอิ่มหรือไม่อิ่มอร่อยหรือไม่อร่อยท้องเสียไม่เสียไม่ใช่เรื่องของท้องละมันไม่ใช่เรื่องของช้อนละใช่ไหม <S <S เพราะนั้นวิธีการมันเป็นเพียงอุบายที่จะให้ให้เราเหมือนเราเอาช้อนเป็นอุบายเพื่อกินข้าวกินอาหารให้อิ่มเท่านั้นชั้นใดก็ดีเราจะไปเอาถูกเอาผิดกับวิธีการไม่ได้ เราจะาบอกว่ายกมือ เ, เป็นสมถะก็ไม่ถูกยกมือได้เป็นวิปัสสนาก็ไม่ใช่หนอเป็นสมถะก็ไม่ถูกหนอวิปัสสนาก็ไม่ใช่แต่คุณใช้หนอแบบไหนคุณใช้การเคลื่อนไหวแบบไหนในในยะใดเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ความกระจ่างตรงนี้ก็ได้แก่กระรยิมิตรหรือครูบาอาจารย์ นะถ้าคนในระดับเดียว ก, ก็ยังให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ <c oughs> ถึงที่ไปที่มาด้วยความลึกตื้นหนาบางของมันนะเพราะนั้นเองในลักษณะอย่างนี้ามาว่าเราต้องเข้าใจว่าสมถะนั้นเราทำกันมานานแล้วพุทธศาสนาทุกวันนี้เราทำสมถะแบบพามถึงเ้าสิบเปอร์เซนตนะเก้าอร์ซนวันก่อน ขอนอกเรื่องหน่อยวันก่อนจะมาคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดแพร่เนี่ยมาขอจัดงานที่วัดในเรื่องประชุมสมนาเรื่องสรุปผลท้องการประกวดหมู่บ้านศีลห้าทั้งจังหวัดว่าหมู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนชนะที่หนึ่งที่สองที่สามเขาตัดสินแล้วก็มาขอจัดงานประชุมสมนาที่วัดพอตอนท้ายงาน เ, นเลขาเจ้าคณะอำเภอคืออำเภอที่อจะมาอยู่มันบังเอิญมาได้ที่หนึ่งแล้วหมู่บ้านเนี่ยมันได้ที่หนึ่ง เสร็จแล้วก็ามาจาัดงานที่วัดนะตอนท้ายเลยขาถามว่าเออมีอะไรรูปเหรียญเน่นะแจกบ้างไหมเอออะไรจะตอบว่างไงเราบอกมีเมื่อกหรรูปครับแต่เหรียญไม่มีรูปอะไรรูปหนังสือผมเตรียมหนังสือไปพร้อหมดเลยวันนะก็แจกหนังสือไปคนละหลายๆเล่มมันนะ หนังสือลวงพ่อเทีย น, กกนาาบ้างพ่ะธรรมบ้างอย่างนี้มันเป็นธรรมเนียมทั้งหมดทั้งประเทศเลยทุกวัดเลยจะต้องมีสิ่งนี้แจกแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากรูปจากเหรียญว่าหนังสือนี่เอาไปอ่านได้เอาไปสอนได้มันพูดได้แต่รูปเหรียญที่แจกกันเป็นอิฐเป็นหินเป็นดินเป็นปูนมันพูดไม่ได้มันสอนไม่ได้มันทําให้เกิดปัญญาไม่ได้แต่ว่ามันกลายเป็นธรรมเนียมแล้วนารเปธรรมเนียมเราก็แจกหนังสือธรรมะไป ท, ทุกรูปที่มาวัดพระเกือบ รอยกวรูปนะ น, กนกกกักนัง่งแจกยมเราก็แจกหนังสือหมดแต่เราไม่แจกสําหรับคนที่ไม่สนใจอ่านถ้าใครสนใจอ่านปฏิบัติจริงไปหยิบเอาทิโตหนังสือแต่คนไม่สนใจอ่านปฏิบัติอย่าเพิ่งหยิบไปเสียของเอาอย่างนั้นเลยน ะ, ะปัจจุบันในเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะอย่าไปแจกทั่วไม่ได้นะเราแจกแล้วให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องซื้อเอาไปฟรีนะแต่ว่าให้รู้ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ที่นอกเรื่องตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่า เราเรียนสมถะแบบพราห ม, มาว่าสมถะแบบพราหมนั้นทำไปนานๆจิตมันจะเกิดพลังเนี่ยมาผ่านหมดแล้วนะเมื่อจิตมันเกิดพลังแล้วโน้มพลังนี้ไปสู่สิ่งไหนอย่ละพลังฌานก็จะทำสิ่งนั้นได้ทาให้สิ่งนั้นมีฤทธิ์มีน้ำมนตมีพอพอเรื่องที่ไม่จบนะพ อ, อะเขาก็มีการตั้งมีการสวดมนต์มีการ อะตั้งหม้อน้ำมูลใดถ้ายุในวัดบ้านเข้ามาจัดการบวชมาเาก็บอกเออตั้งไว้งั้นแหละจะไปบอกเขาไม่ใช้ก็ไม่ได้นะเราจะใช้ไม่ใช้ปเป็นเรื่องของเราทีนี้เขาเตรียมบวดทั้งห ม, งหมง้อน้ำมูลทำประคมน้ํามูล น, นะเสร็จงานแล้วก็ตั้งอยู่เนี่ยแล้วไม่มีใครใช้สักคนเพราะเราไม่พายใช้เสยอย่างเขาก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันนะอันนี้คือธรรมเนียมที่เป็นเป็นสมถะบวชก็เป็นของพรามวันถวเพณีทุกแห่งเนี่ยก็เอาประเพณีพรามมาใช้ วิธีกรรมก็เป็นของพรามเพราะเราเริ่มต้นมาอย่างนั้นตั้งไม่รู้กี่ศตรวรรษแล้วเนี่ยเราจะไปเลิกก็ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วก็เราก็ส่วนใหญ่แล้วก็พอจะรู้คร่าวๆว่าอาจารย์สอนพอจะฟังแล้วพอจะฟังออกว่าองค์ไหนสอนสมถะองค์ไหนสอนวิปัสสนาองค์ไหนสอนแบบพุทธองค์ไหนสอนแบบพราหม์เราจะมองออกละแต่สําหรับคนที่เคยคุ้นกับ วัดกับการประบัตินะ่ะบ้างแล้วแต่สําหรับคนใหม่จะรู้ไหมจะรู้ได้ไหมอย่างเงี้ยแยกเป็นไหมสําหรับคนใหม่จริงๆนะสามารถแย ก, ย ไ, นนดแยก ไ, ได้ไหมว่าอนไรเป็นพุทธเป็นพรามแยกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้เราเพ่อบางทีเราไม่เคยเข้าวัดเลยใช่ไหมเราก็แยกไม่ออกว่าวัดไหนเป็นวัดพุทธวัดพรามเพราะนั้นครั้งแรกพอเข้าใจแต่มามาเข้าใจเรื่องนี้ป้ามาเลยถามวงพ่อเทียนเลยเอ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้พุทธในศาสนาในประเทศไทยจริงมนันมีเท่าไหร่ มีกี่เปอร์เซ็นกันสักพีกี่เปอร์เซ็นหลวงพ่อท่านตอบน่าตกใจในเมื่อ30ปีก่อนนะท่านตอบว่าไงไม่ถึงสซตายละร้อยหนึ่งเราเป็นพูดจริงๆริงไม่ถึงสองคนเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงจากนั้นมาเรื่องความรู้สึกตัวแบบหลวงพ่อเทียนกระจายตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสํานักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งที่เป็นวิปัสสนาจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรความรู้สึกตัว ใช่ไหมไม่ว mm ่าสายไหนพูดถึงเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะถ้าไม่พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกจะไม่ทันสมัยแล้วตลอดถึงออกไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่มาไปเผยแพร่ตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันนี่เกือบ20ปีในยุโรปในอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้การเจริญสติที่เที่อังกฤษอเมริกาเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วสมาชิกสภาผู้แทนนําเรื่องนี้เข้าไป ไปเสนอในสภาว่าเดี๋ยวนี้คนอเมริกันในเศรษฐกิจไปเฮียคนเครียดเป็นโรคซึมเศร้โาโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันลดมะเล็งทั่วไปหมดจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเขาเคยศึกษาปฏิบัติแบบแบบนี้มาก่อนเขาก็ไปนําเสนอแล้วก็ไม่กี่วันไม่ค่อแชร์มาที่เยอรมันก็เริ่มแล้วเริ่มเอาวิธีการเนี้ยเข้าไปในยุโรปในอิตาลีเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมหลายท่านได้ยินข่าวว่าอิตาลีประกาศพุทธศาสนารับรองพุทธศาสนาแล้วล ดังนั้นเรื่องนี้เราประเทศไทยเราถือว่าเป็นเจ้าของพุทธศาสนาได้ไหมไม่ได้เพราะยังไม่ถึงสองเซลยแต่ผ่านมาเกือบสามสิบปีคิดว่าตอนนี้น่าจะถึงสักสิบเอร์ซได้ไหมคนที่มาเข้าใจความรู้สึกตัวเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะเพรานั่นเองเอในวิธีการข้อเทีนเอาละทีนี้เราพูดถึงเอาลายทั้งหมดของเรื่องของสมราวิปัสสนามาถึงจุดนี้นะต่อไปนี้จะแยกมาที่วิธีการเคลื่อนไหวบ้างโดยเฉพาะละก่อนที่เราจะแยกไป าสาธิตหมอดูเวลาให้เลยนะผมพอต้องการถึงเวลาแค่สิบโมงนะตอนนี้เท่าไหร่กำาวงครึ่งเดี๋ยวเวลาอีกเพราะในการนั้นเป็นอ น, นีตจังไปแล้วชื <c oughs> ่งไม่ได้นะอดิจังมาใช้ไม่ได้นะืมันมันเป็นอนัตต า, าในวิธีทำไมเราต้องใช้วิธีการของพ่อเทียนเพราะว่าอามาณนเริ่มต้นจากสวนโมกในสมัยตั้งปีหนึ่งหนะ หนึ่ง8เจ็หนึ่งปดนี่ยสามปีไปนั่นทำอนาปา<ม>คือนับลมหายใจเข้าออกเนี่ยกะว่าจะทำทั้งวั น, น่ะมันไม่ถึงสักครั้งเดียวแค่สามชั่วโมงแล้วก็ไปไงทำต่อไปไม่ได้ละหนึ่งถ้าวันไหนสติสมาธิดีมันก็ข่ออสงบไปอารมชาญวันไหนสติสมาธิ ว, วกวาดวันไว้ไปสู่ไอ้นิวร สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยทุกวันก็มาถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่อผมทำแล้วผมมีอาการเงี้ยวันไหนมันสงบมันก็ได้ชานได้ความสงบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปแต่วันไหนมันไม่สงบก็ทําทก็นิวรกินตลอดเหมือนกันแล้วผมจะแก้ไข ย, ยังไงมันมีแค่นี้เหรอหลวงพ่อบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดของอาณาปาณะสิบตกสิบหกขั้นเนี่ยท่านอธิบายไว้หมดในหนังสื อ, อธรรมะจากพระโอษฐ ให้ไปอ่านดูว่าอยู่ตรงไหนเอามาก็หมดอารมณ์หมดที่นี้ปัญหามันเกิดตรงนั้นแล้วท่านไปบอกไปแก้ตรงนั้นนะโอ้ไม่ไหวแล้นอะในที่สุดหาไปหามาเอางั้นไปวัดมหาธาตุตอนนั้นอยู่เรียนมหาจุฬาอยู่เนี่ยอยู่ที่วัดมหาธาตุไปเรียนวิธีก็ไม่เรียนไม่เรียนยนะพระเจ้คุณชโชดกหรือธรรมะเทราชมหาโมนีที่เป็นต้นต่อเรื่องเนี่ยท่านก็เข้าไปสอนมหาจุฬาด้วยผมมาก็ได้เรียนกับท่านปีหนึ่งนะใน หายใจเข้าเป็นรูปหายใจออกเป็นนามหายใจเข้ารู้เป็นหายใจเข้าเป็นรูปรู้เป็นนามอะไรสลับกันไปอย่างเงี้ยได้ยินเป็นรูปรู้เป็นนามลิ้นรับรู้รสเป็นรูปรู้เป็นนามก็จะท่องกันอยู่เนี้ยเราก็ตั้งใจดีว่าเออเราจะทาเอาไปเอามามันตั้งใจเกินไปเป็นไงเกรงเครียดปวดหัวอ้าวทำไปทำมาบางครั้งมันเข้าตัวแข็งได้เือไปเลยนะ ดินไม่ได้นิ่งไปเลยลมหายใจละเอียดเข้าเลยก็นิ่งไปเลยก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นน่ะก่อนที่จะออกมาจากสวนโมกสมาติดตามอ่านงานของอาจารย์กุวิตเขมานันท h ก็รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์กุวิทเขมานัน t h กับวง่อเทียนพบกันนะคุยมาหลายครั้งแล้ววันนี้จะเพียงเอา ว่าหลวงพ่อเทียนกับอาจารย์กวิทพบกันที่วัดสนามในเมื่อประทะวิชากันเรียบร้อยแล้วอาจารย์กวิทยเลยยอมพ่อเทียนเดิมวพ่อเทียนก็พูดถึงหลวงพ่อเทียนบ่อยๆ บ, บรรยายทำเอามาก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนแต่อาจารย์ชอบฟังอาจารย์กวิทพูดพราพูดสนุกก็ฟังเอ๊ะท่านก็อ้างถึงหลวงพ่อเทียนทุกครั้งหลวงพ่อเทียนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามไปตามไปพบในที่สุดก็บอกวิธีมาทํา มาทำได้สิบหกวันความสงบความเกรงความเครียดมันหลุดพอหลุดแล้วก็ใช้วิธีแบบหําเพอเทียนนั้นมาตลอดตั้งแต่ปีสองเป็นต้นมาในวิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้มันไม่ได้ฟิกตายตัวแบบอื่นถ้าแบบอื่นเนี่ยคุณจะต้องนั่งตัวตรงตั้งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นและกาหนดลมหายใจเข้าออก ตกลงดูพระเจ้าแล้วแต่คุณสมทานแบบไหนแต่แบบนั่งเหมือนกันคุณจ ะ, ะทานแบบหนอแบบพูดทูแบบสัมมาหังแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าฟอร์มที่ออกมานี้แต่ที่สำคัญที่สุดต้องห ล, ลับตานะหลับตาแต่วิธีการเรียนบอกว่าคุณยกมือสร้างจังหวะไปจังหวะคุณจะนั่งแบบไหนก็ได้ยืนทําก็ได้นั่งทําก็ได้นอนทําก็ได้คุณจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้โอ้มันเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขาตายตัวแบบนี้ก็เออมันนั่งทําแบบสบาย เขาอกว่มันผ่อนคลายนะผ่อนคลายแต่ในช่วงที่ทำมาระยะแรกๆไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจหมดทีเดียวนะเข้าใจทีละนิดละนิดมาว่าเพียงจะเข้าใจคอนเซปต์หลักว่าให้ดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันเมื่อใดขณะทำอย่างนี้ให้รู้ตัวทั้งหมดไม่ใช่รู้เฉพาะมือที่ยกตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยไม่มีอาการอะไรบ้างเขาเรียกว่ายกขณะที่ยกมือเนี่ยเป็นการกระตุนตัวรู้ให้เกิดตัวนิากายไฟ จุดประกายไฟตรงนี้เหมือนเราเผาขยะเมื่อเราจุดประกายไฟตรงนี้ไฟตรงนี้มันก็จะลุกไปทั่วกองขยะชั้นใดเมื่อเรายกมือตรงนี้ไอ้ตัวอาการของรู้ที่มันเกิดจากมือที่ยกมันก็กระจายไปเป็นตัวรู้ทั่วเรียกเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะแปลว่ารู้ทั่วตั้งแต่หือจุดเท้าอาการที่มันรู้ทั่วเนี่ยรู้อะไรในตัวเราในขณะ น, นี้มีเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงมีอาการของอ น, นิจจังปรากฏแล้ว ทุกขังปรากฏแล้วอนุตาก็ปรากฏแล้วคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการต่างๆอาการต่างๆทั้งหมดเกิดจากสาบสองอวัยวะนะแต่ว่ามันมีเหลือเพียงอาการหลักๆอยู่แค่เท่าไหร่สองอาการใช่ไหมคือถ้าอาการทางกายคือหนักเบาเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงแค่สองอาการนะแต่ว่าอาการมันตรงข้ามเท่านั้นเองอ่า ตึงหย่อนอะเงี้ยเก็ขาเป็นอาจารของจิตก็จะเป็นอะไรสบายใจไม่สบายใจชอบใจไม่ชอบใจถ้าเป็นอาการของอารมณ์ก็เป็นไงสุขทุกข์อ่าใช่มมันก็จะเป็นอาการสองอย่างขยายละเอียดละเอียดลงไปเมื่อเรามาดูอาการเย็นแล้วหนังแข็งเข่งตึงที่เป็นคู่เป็นคู่ในรูปมันก็จะเป็นเห็นอาการดึกลงไปว่าเป็นพอใจหรือไม่พอใจใช่ไหเป็นอาการของนามละเนี่ย นี้เรียกว่าสมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาเพราะว่ามันค่อยกินลึกลงไปจากรูปจากธาตุ ด, ดินน้ำลมไฟไปหาอากาศธาตุไปเป็นวิญญาณธาตุแล้วออกมาเป็นวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แต่ทีนี้ตัวรู้ที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวรู้ที่ยังไม่รวมวิไปว่าออกไปที่ต่างๆหูบ้าง ขณะนีะ้ตาเห็นสวยไม่สวยขณะนี้หูได้ยินเพราะอะไรเ e พราะชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นลิ้นริ้วตักายสัมผัสถูกใจไม่ถูกใจมันยังเป็นอาการแยกส่วนอยู่แยกสองอยู่ว่างั้นเถอะแยกสองทีนี้เราจะทำให้มันเหลือเพียงอาการเดียวได้ไหมจะทำตัววิญญาณให้มันเหลือตัวเขาว่าญาณได้ไหมอ่าตรงนี้เริ่มค่อยสู่ตัวตัวรู้ละ นั้นหมายของว่าเราจะต้องรวมอาการที่รับรู้ทั้งหมดทั้งหกให้มันเหลืออาการเดียวอาการเดียวได้แก่อาการอะไรอาการรู้สิตัวหรือ ว, ว่าตัวรู้เหลือตัวรู้ตัดวินนี่ออกไปเหลือแต่ยานวิญญาณใช่ไหอย่างนั้นจากวิญญาณแกตัวยานตัวนี้มันก็จะไปดูทั้งหมดตัวยานตัวเนี้ยจากของอุทภป า, าธิยานังอุทภป า, าิ ใน definition ของคำว่าญาณนะหมายความว่าถ้าเราแยกให้เห็นได้ว่าขณะนี้เรารู้ตัวไหมรู้ตัวทั้งหมดไหมเย็นแล้วนแขรู้ตัวไหมรู้ตัวทั้งหมดนี่เป็นอาการของ3 2ออกมาเป็นวิญญาณหคือตาของจมูกลิ้นไก่ใจเมื่อเราสามารถเห็นได้อย่างนี้เห็นได้ง่ายัหมเข้าใจได้ง่ายไหมทุกคนสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมตาเห็นรู้สึกอย่างไร ากายขณะนี้รู้สึกไงรับรู้ได้อาการเหล่านี้เรียกว่าเวทนาจะออกมาสมอาการหนึ่งรู้สึกเย็นสบายหรือไม่สบายร้อนสบายหรือไม่สบายถ้าเราไปอยู่ที่เย็นมันเย็นเข้าไปอีกอาการเย็นก็จะไม่สบายใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่ที่ร้อนถ้ามันเย็น อาการเย็นก็สบายแต่อาการเราไปอยู่ที่เย็นถ้ามันอยู่ที่ร้อนมันร้อนก็ไม่อาการร้อนก็ไม่สบายแต่เราไปอยู่ที่ร้อนเจอเย็นอาการร้อนก็พอดีสบายเห็นไหมเพราะนั้นร้อนกลายเป็นเย็นเย็นกันอันนี้เป็นลักษณะของกฎของอนิจจังเมื่อเป็นอย่างนั้นมันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปพอใจหรือไม่พอใจกับร้อนกับเย็นแต่มันรู้เฉย มันจะร้อนฉันก็รู้สึกเฉยเฉยจะร้อนมากกว่านี้ฉันก็รู้สึกเฉยเฉจะเย็นมากกว่านี้ฉันก็รู้สึกมันเฉยเฉยจะไม่แสดงอาการชอบหรือไม่ชอบตัวลักษณะที่แยกตัวออกมารู้โดยที่ไม่เข้าไปยึดในสองอาการนี้เราเรียกว่าญาณ น, นา ม, มารูก ป, ปฏิจจทิฏฐานเบื้องต้นเลยเอามาท่านก็มาขยายเป็นญาณสิบหกใช่ไหมคนที่เรียนหนอมาจะต้องผ่านญาณสิบหถึงเท่า สี่สี่ชั้นเลยนะสี่รอบอมาปฏิบัติครั้งที่หนึ่งอา้าวมีการเทศลำดับญาณผ่าน้หมดเอามาผ่านทหมดเรื่องพวกนี้นะก็เคยปฏิบัติเนาะมาอะรอบที่สองญาณระดับที่สองย่อที่สามญาณระดับที่สา 3. ก็ทําตามนั้นแต่ว่ามันมันเป็นญาณปริยัติอ่ะพอมันได้ได้ขณะที่ลำดับญาณเนนะี่ยพอเลิกกลับไปทําการทํางานใช้ชีวิตปกติมันก็ญาณก็หายหมดมันกลับไปสู่วิญญาณเหมือนเดิมมันไม่คงที่ ทีนพอมาศึกษาในวิธีการหลงพ่อเทียนเออหลวงพอ่อเน้นตั้งแต่แรกเลยนะเน้นให้รู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้รู้สึกตัวไม่ต้องไปแยกแยะตามหลักปริยัติที่อา่าก็เออถ้าอย่างนั้นถูกไหมหลวงพ่อเทียนสอนแบบนี้ถูกไหมอ่ะสอนตามใครบอกมาเออพ่อบอกว่ามาจากพระพุทเจ้าใช่ไหม เราก็ต้อดับไปหาต้นต่อว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเรื่องยานพระพุทธเจ้าตรัสรูด้วยยานทั้งสามยานที่หนึ่งเรียกว่าอะไรนะอันนี้สำหรับคนใหม่ไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ฟังเอาไว้ก่อนก็แล้วกันสำสำหรับคนเก่าจํำมาไว้บ้างก็ดีเผื่อว่าจะไปแนะนำคนอื่นนะยานที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานใช่ไหมแปลว่ายานที่รู้สิ่งที่ผ่านมา แต่ถ้าสอนแบบพราม์ก็ว่ารู้ตั้งแต่นู่นชาติก่อนหมื่นชาติแสนชาติชาตินั้นไปเกิดเป็นนั้นชาตินั้นไปเกิดเป็นนั้นชาตินั้นอันนี้เขาเรียกว่ายานแบบพรามณ์คือข้ามภพข้ามชาติถามว่าถูกต้องไหมก็ถูกแบบพรามณ์เลยเอาล่ะทีนี้มาดูว่าตัวรู้ตัว น, นี้ยังไมนต้องแยกแบบว่า ไอปุเพนิวาสานุติยานเป็นอย่างไรจุตูปปาตยานเป็นไงอาสวัคยยานนี่มันจะเรื่องปริยัติมันจะเรื่องเยอะมันจะสับสนเอาแค่ว่าตัวรู้วิธีรู้ของหลวงพ่เทียนเนี่ยท่านรู้แบบนั้นไหมเจาะมาที่หลวงพ่เทียนเพราะเวลาเราสั่งเจาะมาตรงที่ว่าในเสาวทินี้เราทําอาจารย์บูชาเนะะเาะแต่หลวงพ่อยิ่งถู ก, กล่าวหาว่าเป็นมากปริยัติเกินไป <laughs> เพราะฉะนั้นต้องว่า ในวิธีการขอวัฒเทียนเนี่ยเราเริ่มต้นตรงไหนขณะนี้ทุกคนรู้สึกยังไงเริ่มต้นอย่างนี้เสมอนะอะไรเกิดขึ้นก็ตามกรรขณะนี้เรารู้สึกอย่างไรแต่ละคนแต่และคนจะรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะใช่ไหมแต่รู้สึกกายอาจจะเหมือนกันทุกคนมีเยื่อแล้วอ่อนไข็งเคร่งตึงเหมือนกันใช่ไหมแต่ความรู้สึกในใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบ บางคนอาจจะเครียดบางคนอาจจะผ่อนคลายบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจเงี้ยมันจะต่างกันไปอันนี้คือแต่เรารู้ได้ไหมคนอื่นเรารู้ได้ไหมคนอื่นรู้เราได้ไหมไม่ได้เรารู้ของเราเองนี่ถ้าอาการทางกายเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ยอาการของจิตก็จะโน้มไปทางนั้นด้วยเช่นเย็นเกินไปเรารู้สึกไม่ชอบหมอวันนี้ลืม ลืมใส่ถุงเท้ามาเย็นเท้าจนเหน็บเลยตอนนี้นะอาการเย็นไปเห็นไหมอาการเหล่าเนี้ยแต่ละคนก็จะจะต่างกันถ้าอย่างนั้นตัวรู้ตัวนี้ควรจะวางได้แค่ไหนถึงจะเป็นตัวรู้ที่ถูกต้องอ่าอันนี้เรามาวิจัยเรื่องตัวรู้เนีนะตัวรู้ขณะเนี้ยเรารู้ว่าเกิดขึ้นในกายจะมีสามอาการหลักๆคือหนึ่งลักษณะสบายก็มีบางคนนะสองลักษณะที่ไม่สบายก็มีในบางคน สามลักษณะบางคนยังไม่แน่ว่าสบายหรือไม่สบายอาจจะเซ้นลึกไปหน่อยนะยังสัมผัสไม่ได้นะครับแต่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยยังบอกไม่ถูกนะจู่ๆถามอาจจะตอบไม่ถูกใช่ไหมเอ๊ยยังไม่ถูกไม่แน่จะรู้สึกยังไงนะแต่เย็นแลนอนแข็งแขร่งตึงนทุกคนมีอยู่แล้วแต่ถามว่ารู้สึกงไงพอใจหรือไม่พอใจใคยังไม่แน่ฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามมันยังมีแค่สามอาการอาการนี้เรียกว่าเวทนาเวทนาแปลว่ารู้รู้ อาการแล้วสติแปลว่าการเข้าไปรู้อาการเราเป็นผู้รู้ว่าขณะนี้เย็นแล้วอ่อนแข็งเราเป็นคนอื่นรู้เราไม่ได้การที่เข้าไปรู้มีสองลักษณะหนึ่งรู้ในส่วนที่เป็นรูปสองในส่วนที่เป็นนามเธอรู้ไปส่วนที่เป็นรูปต้องแน่นอนว่ามีอาการอย่างที่กล่าวมาหนักเบาสบายไม่สบายแล้วก็ยังไม่แน่ไม่ชัด อาการที่เป็นนามมารูปก็คือรู้สึกสบายไม่สบายชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็เป็นอาการรู้เข้าไปถึงจิตเรียกว่านามมารูปนะมีสองอาการนะและถ้าเข้าไปรู้ทางอาการของกายก็ดีอาการของจิตก็ดีรู้เฉยๆนี้เรียกว่านามล้วนๆอาการเราต้องการอาการตัวนี้ตัวรู้สึกตัวนะ ว่าเรารู้เฉยๆอาการของกายมันจะเป็นยังไงอาการของกายถ้ามันไม่สบายแล้วก็มาบัดออกเสียมันสบายเกินไปเราขยับให้มันนานขึ้นสักนิดหนึ่งมันรู้สึกไม่สบายถ้าสบายเกินไปมันจะมีแนวโน้มว่าเป็นไงง่วงเหงาหงานอนใช่ไหมหรื อ, อเข้าไปสู่นิทร า, าสบายเกินไปถ้าไม่สบายรู้สึกร่างกายไม่สบายแล้วไม่บําบัดไม่ยอมบําบัดก็จะรู้สึกเป็นไงหนักหน่วงคงทับเครียด ไม่ชอบใจไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองอาการของจิตก็จะออกมาตามนั้นเพราะฉะนั้นอาการของกายเข้าไปสู่จิตได้อย่างไรอาการของจิตออกมาสู่กายการตามรู้อาการเชื่อมต่อระหว่างกายกับใจนี่ชัดๆเรียกว่าญาณแต่การที่จะไปตามรู้อาการสองอย่างที่ชัดนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ชัดรู้ทั่วๆวไปเรียกว่าสัมปชัญญะ และโดยสมปชัญญะตัวนี้เองที่จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคําว่าดูรู้สึกตัวท่านใช้ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะดังนั้นถ้าหากว่ารู้สึกตัวในลักษณะของสติท่านให้รู้ชัดชัดที่หลวงพ่อเทียนใช้ก็ว่ารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้ชัดชัดนะ แล้วถ้าเป็นอาการของกายกับใจทำงานร่วมกันท่านบอกให้รู้ทั่วๆ่ท่านใช้คาว่าสัมปชานการีแต่ถ้าหากว่าตัวรู้นี้มันหลุดเข้าไปสู่อาการของจิตท่านให้ศึกษาเรียกว่าสิกขิเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดในกายานุปัสนาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเช่นเดินเนี่ยว่า อภิกันเตปฏิกเกตเตสัมป ะ, ะไม่ใช่คัชันโตวาคัาชฌามิติประชานาติคําว่าประชานาติแปลว่าให้รู้ชัดชัดในขณะเดินให้รู้ชัดว่ายกยังไงย่างยั ง, ยงไงชัดลงไปอีกว่าขนานไหนเดินน่ะยกหนักหรือเบาเหยียบหนักหรือเบาขณะยกเบาขณะเหยียบหนักให้รู้ชัดลงไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเรื่องนี้มาก่อนเราเดินมาร้อยวันพันปีเราเคยรู้สึกชัดต่อกันหนักกันเบาอย่างนี้ไหมไม่เคยลักษณะ การรู้ที่จะไปข้างหน้าโดยไม่สัมพันธ์กันณปัจจุบันเขาเรียกรู้แบบสัญชาตญาณญาณเหมือนกันนะแต่รู uh <s <s <s <s ้โดยสัญชาตญาณเพราะมันไม่สัมพันธ์กันแต่ถ้ารู้อย่างชัดๆตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณปัญญาเกิดจากรู้ชัดว่าประชานาติรู้ชัดว่ากายกับใจไปอย่างไรอีกเขาเรียกว่าสัมปัานกิเเช่นอภิกันเตปฏิกัเตสัมปัจจานะกิรีโหติว่า ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกา้กาวไปข้างหน้าและในการถอยกลับพลังเพราะนั่นคำว่าถอยกลับข้างหลังไม่ใช่ไปอย่างนี้แล้วก็เดินแล้วก็ถอยกลับอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอภิกกนเตหมดแต่มันมีคาว่าปฏิเกตเต ต, ต้องเป็นอย่างนี้เดินไปข้างหน้าก็ถอยกลับอย่างนี้ให้รู้สึกตัวแต่ตอนหลังมาเอามาทํานี้บางกลุ่มหลวงพ่อเทียนหาว่าจมาเพียนได้เหมือนกันนะก <ไป S 2> ็หาไปแล้วเรียบร้อยแล้วล่วนะแต่ว่าภารีเขาห้ามาอย่างนั้นน่ะ เดินไปแล้วกลับมันก็กลับเหมือนเดิมมันนะมันก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดการบาลานซ์ใช่ไหมเข้าไปข้างหน้าและถอยหลังในการนี้ตรงใช่ไหมหมอโอเค <laughs> จะเทคโอเนี่ยเห็นหแล้วก็อานที่สองว่าอาโรกิเตวิโรกิเตสัมปชัญกาลิเหอโรกิเตหมายถึงเหลวซ้ายไหลขวารู้สึกตัว ตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราเคยตั้งใจแลงตั้งใจเหลียวอะไรสักครั้งไหมจำได้ไหมว่าเราเคยตั้งใจดูอะไรที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ว่าตั้งใจดูว่ามึงเอาจริงหรือเปล่านะมึงแน่หรือเปล่านี่เออตั้งใจอย่างนี้มีอยู่นะมึงยาวยังไงนี้นะเหลียวสายเลยกว่าแต่อันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่ตัวนะเขาตั้งใจสิ่งที่เป็นข้างนอกอ่าแล้วก็สามมินชิเทปาส า, สาลิเตสัมปชาญการลีฮหติเอามาบอกว่าคู เข้าเพเหยียดออกมันคืออะไรก็คือการสร้างจังหวะของเรานี่เองนะเอาแขนเข้าเพ่ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเอามือเข้ามาในการเหยียดมือออกไปนี่คือสัมปชัญญะกาลีมาในหมวดที่สามของสัมปชัญญปภ ะ, ะในกายานุปัสนาสติปทานเพราะฉะนั้นถ้าไปนั่งสร้างจังหวะที่ไหนเขาบอกเนี่ยมันไม่ได้มาภระตรปิฎกคุณเถียงได้เลย อ, อาจารย์บอกว่ามามาที่ไหน โอ oh, จอมไม่ได้เหมือนกันคุณก็เสียนเหมือนกันคุณต้องจําได้ด้วยว่ามันมาในสถิปติฐานสูตรว่าด้วยกายานุปัสนาหมวดสัมปัญญปะปปะในข้อที่สว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปัญานากาลีโหติในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่ที่12หน้าที่เท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้หลวงพ่อมั่วเอานะไปเปิดดูก็แล้วกันแต่คนจริงตัวบทมันมีจริงๆแต่จำไม่ได้มีอยู่หน้าที่เท่าไหร่ก็แน่ไปเปิดดูก็แล้วกันคือตัวบทเราสวดทุกวันที่เราจําได้เนี่ย อ่าเเอามาสวดทุกวันเพราะนั้นสติตฐานสี่หลวงพ่อเอามานสวดทั้งหมดสูดเลยว่าตรงไหนว่าที่มัน เ, าเราไปทําผิดตรงไหนบ้างแก็สวดไปจําไว้แล้วเอาไปพิสูจน์ว่ามันมันถูกต้องตามนั้นหรือเปล่าก็าลงล็อกวิธีการหลวงพเทียนทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอมายเองก็เรียกว่าเราเรียนมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นจะเชื่ออะไรคงจะโดยที่ไม่มีการพิสูจน์ไปเป็นเรื่องเป็นราวคงจะเชื่อยังไม่ได้ในวิธีการหลวงพเทียน ก่อนที่จะมาจะรับได้ก็เรียกว่าต้องพิสูน์ทุกขั้นตอนว่าเป็นสติปัฏฐานตรงไหนในที่สุมันก็ออกมาอย่างนี้แหละนะดังนั้นตัวรู้ที่ได้จากการยกมือเคลื่อนไหวได้จากการก้าวไปถอยกลับทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่หหมวดนะรายละเอียดไปดูเ อ, เองแต่อยากจะเน้นว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมาจากคาว่าถ้าตัวรู้สึกตัวเกิดจากเวทนาเราเรียกว่าวิญญาณ ตัวรู้สึกตัวที่เกิดจากการตั้งสติเรียกว่าญาณและตัวรู้สึกตัวที่เราเอานำไปใช้เห็นความเชื่อมต่อระหว่างกายกับใจเห็นการเกิดการดับของกายการเกิดดับของจิตเนื่องมาจากการหนักการเบาการอยู่การเคลื่อนจากยาพิสุทธิ์ไปถึงละเอียดที่สุดคือการเกิดดับของจิตเราเรียกว่าวิปัสสนาญาณมันจะพัฒนาไปตามลาดับนะ แต่นั่นเองเบื้องต้นเนี่ยขอให้สร้างตัวรู้ให้รู้สึกว่าให้รู้จักว่าความรู้สึกกายเนี่ยเป็นอย่างไรเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้แล้วต้องไปรู้ซ้ำๆเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามันกลับมาอยู่ปัจจุบันนะทฤษฎีซ้ำๆเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่การเรียนรู้ปัจจุบันเข้ามาใช้กันเรียกว่าทฤษฎีคุ่มองเนี่ยนะการทำซ้ำๆเพื่อที่จะมาตอกย้าณปัจจุบัน เพราะณนะตัวปัจจุบันนะ่ยมันเป็นที่รวมรวมของกายของจิตถ้ากายของจิตเรารวมกันไม่ได้สมาธิมันเกิดไม่ได้เมื่อสมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้ญาณเกิดได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทํามาซ้ำๆการเดินนะวันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่แสรนรอบเดินซ้ําๆอย่ ง, งนเพื่ออะไรเพื่อให้จิต เพื่อให้ทดแทนที่เราได้ปล่อยจิตของเราเนี่ยออกไปนอกกายตั้งแต่เราเกิดจนมาถึงวันเนี้ถามได้ไหมว่ามันออกไปกี่ครั้งนับได้ไหมมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอั countable ไม่สามารถจะนับได้เลยว่ามันเป็นเท่าไหร่นะนับไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราจะทํำทดแทนก็นับไม่ได้เหมือนกันวันหนึ่งเราจะตามรู้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอกันแต่ว่า การที่เราจะไปสั่งสมตัวรู้เพื่อที่จะทดแทนตัวไม่รู้เนี่ยมันเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องทำตัวรู้ให้นานเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันเป็นปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นมวลสารมันเป็นลักษณะปฏิบัติเช่นห้องนี้มืดมาเป็นเวลาหนึ่งล้านปีเนี่ยเราจะทำให้มันใช้เวลาอีก หนึ่งล้านปีเพื่อทําให้มันสว่างมันให้มืดหายไปให้สว่างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลาขนาดนั้นใช่ไหมมันมืดมาเป็นล้านปีถ้าหาคุณหาแสงสว่างมากๆเพียงวินาทีเดียวใช่ไหมความมืดเป็นล้านปีมันก็หายไปได้ทันทีเหมือนกันมันหมายความคุณจะต้องใช้เวลาอีกล้านปีเพื่อจะไล่ความมืดนั้นไม่ใช่แต่คุณหาคุณค่าตรงกันข้ามอาวิชาเนี่ยพาเราเกิดแก่เจ็บใจมาเป็นไม่ใช่ล้านปีหลายล้านปีอ่ะ นั่นหมายความคุณจะต้องบําเพ็ญภาวนาเป็น ล, ล้านปีไม่ใช่แต่คุณมาพัฒนายานปัญญาให้เกิดขึ้นภายในเพียงเสี้ยววินาทีเดียวไอ้ความมืดของวิชาเป็น ล, ล้านปีมันหายเป็นวิชาขึ้นมาทันทีเลยนะดังนั้นเองตรงนี้ทําให้เรามีหวังยังไงแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเน้นตรงไหนเน้นให้รู้ถูกต้องไม่ใช่ในเน้นให้รู้เยอะๆนเน้นให้รู้มากๆเน้นให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากว่าเราได้ใช้ความไม่รู้จนเป็นนิสัยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นนิสัยของเราด้วยความไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะมาสร้างนิสัยใหม่สร้างนิสัยแห่งความรู้สึกตัวการที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนิสัยเราจะทําสิ่งนั้นน้อยๆได้ไหมมันจะเป็นนิสัยได้ไหมไม่ได้เราไม่ใช้คําว่าเป็นทักษะเป็นสกิลเป็นความชำนิชำนาญเหมือนกับช่างซ่อมเนี่ย มันส่อมรถทุกวันนะซรถทุกวันจนกระทั่งผ่านไปสิปี20่ิปีช่างรถคนนี้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้มันทำโดยเป็นนิสัยละโดยความชำนิชำนาญ น, นะอันนั้นพุทธศาสนาลักษณะนี้ก็เหมือนกันท่านใช้คาว่าทำให้มันเป็นกุศลทำให้มันเป็นนิสยัยควาว่ากุศลนี่หมายถึงทาให้เป็นนะไม่ใช่ทำให้ดีนะส่วนใหญ่ลบไปแล้วว่าไง อละชั่วทําดีทําจิตให้สาํารกจิตให้สะอาดใช่ไหมแต่ความจริงละชั่วทําดีมันต้องทําให้เป็นทําทให้เป็นจะดีไหมนะทําทให้เป็นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคําว่าทําดีเป็นผลเพรมันเหตุทมันต้องทําให้เป็นคุณต้องพูดให้เป็นถึงจะพูดได้ดีคุณต้องทําให้เป็นคุณจะทําทได้ดีคุณต้องคิดให้เป็นแล้วคุณจะคิดได้ดีอถ้าคุณฉลาด รู้มากขนาดไหนแต่คุณยังพูดไม่เป็นทําไม่เป็นคิดไม่เป็นไม่ถูกกาลเทศะสิ่งที่คุณพูดมาดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ถูกกาลเทศะสิ่งที่ดีคุณพูดมากเกินไปได้ไหมก็ไม่ได้สิ่งที่ดีๆคุณพูดน้อยเกินไปก็ไม่ได้พูดสมควรแก่เหตุแก่ผลเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเป็นแต่นั้นในพุทธศาสนาที่พ่อคุณเขากุศลไม่ได้พ่อคุณเ้าบุญหรือคุณงามความดีพ่อเขากุศลทําให้เป็นตรงกับตัวของ ธรมะของเราปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นกุศลนั้นจะเกิดขึ้นเราก็มาสร้างเกิดจากตัวรู้สึกตัวตัวญาณเบื้องต้นนี่เองตัวญาณเบื้องต้นนี้เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะและสติสัมชัญญะถูกต้องแล้วสี่นี้เปลี่ยนมาเป็นตัวปัญญาปัญญาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวญาณเรียกว่าญาณปัญญาและญาณปัญญาตัวนี้ถูกต้องแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นวิปัสนาญาณ แล้ ว, วิปัสนาญาณตัวนี้ก็จะไปทาให้เราเห็นเกิดดับเมื่อเราไปเห็นการเกิดดับของจิตแล้วเราจะหายสงสัยเมื่อเราหายสงสัยเราก็จะไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปเท่านั้นเองโดยคอนเซ็ปต์โดยสรุปพวกมันนะดังนั้นในวันนี้นาเรื่องของสมถะและวิปัสนามาทำให้แจ่มแจ้งแล้วจากช่วงนี้เป็นต้นไปเราจะแยกกลุ่ม สำหรับผู้ใหม่มีกี่ท่านที่หม่จริงๆกี่ท่านยกมือขึ้นโอ้มีเยอะเหมือนกันเนาะไม่ต่ากว่าสาสิแล้วไปดวงพ่อเราไปเลือกฐานเที่ยงบนนะโดยพระอาจารย์สมพงศ์กับพระอีกสองสมรูปจะผ่านออกไปถ้าหากว่าเกินสี่สคนห้องนั้นอาจจะแน่นให้ใช้ข้างนอกด้านด้านนี้กว้างอยู่นะอาจจะนั่งกับพื้นก็เะนั้นเวลาไปก็ต้องหยิบอุสนะไปด้วยเนาะตั้งแต่นั้นเพราะฉะนั้นนิมนต์พระอาจารย์พงศ์เลยครับอาจารย์สงบ แล้วก็ท่านเอฟยังอยู่ก็ได้ไปสักสองท่านก็ได้เอาคนใหม่ทุกท่านขออาภัยหยิบอาสนะไปด้วยนะแล้วตอนกลับมาก็หยิบมาด้วยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับลงมาสรุปกันที่นี่อีกทีหนึ่งแล้วถึงจะมาเอาว่าใครทํามาถูกมาผิดเดินถูกหรือเดินผิดที่ไปสาธิตเมื่อกี้นะพระอาจารย์พงศ์ที่ไปข้างบนแต่สําหรับคนที่อยู่ในห้องนี้แค่ขยับเข้ามานั่ง ใก้นิดหนึ่งนะโอไม่ได้สิอาสนะเขาออกไปสละนั่งทุณเดิมนี่แหละแต่หลวงพ่อจะไปอีกขั้นตอนหนึ่งสําหรับคนที่ฟังมาแล้วเคนที่ปฏิบัติมาแล้วหลวงพ่อจะไปอีกขั้นนึงในเรื่องของการถามปัญหานะเอาละสําหรับคนที่เคยมาจะเคยเก็บอารมณ์หรือไม่เก็บอารมณ์ก็ตามจะไปอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวออยากยาถามก่อนว่า เบื้องต้นเนี่ยในคนที่เคยแล้วเนี่ยจะมีสาสามกลุ่มเหมือนกันหนึ่งเพิ่งเคยสร้างจังหวะเป็นเดินจงกรมเป็นสองเคยเข้าคอร์สมาแล้วนะเคยเข้าคอร์สมาสามคนที่ทั้งเคยเข้าคอร์สและเก็บอารมณ์ด้วยในพวกเราเนี้มีสามกลุ่มนะอันนี้เคยเข้าคอร์สเก็บอารมณ์มาไหมเก็บอารมณ์ด้วยขคอร์ส ด, ด้วยนะอะอันนี้ก็ กลุ่มหนะโยมเคยมาเข้าคอร์สเก็บอารมณ์ ม, มสร้างจังหวะเป็นเดินจงคนเป็นนะเคยฟังเคยมาเข้าที่นี่เท่านั้นน ะ, อ, ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนใหม่ดังนั้นในสามกลุ่มของพวกเราเนี่ยทำไมเราจึงเก็บอารมณ์ในวิธีการของพระเทนทําไมจึงเก็บอารมณ์มาเริ่มแค่นี้พอไหมเดือนละสองวันที่เนี่ถามว่าพอไหมต้องถามตัวเองละ่ะ พอหรือไม่พอตรงที่ว่าเรากลับไปบ้านเอาไปใช้ได้ไหมถ้าเอาไปใช้ได้ถือว่าอเข้าใจสองบางคนเมื่อเข้าที่นี่สองวันแล้วไม่พอยังไปเข้าคอร์สอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ในกรุงเทพครั้งได้สามวันห้าวันเ็ดวันเข้ามาหลายครั้งแล้วถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมถ้าเอาไปใช้ได้ถือว่าเข้าใจสามกลุ่มที่นอกจาก จะมาที่นี่สองวันแล้วยังไปเข้าคอท์ตรงนั้นตรงนี้อีกแล้วยังเข้าไปเก็บอารมณ์เข้มอีกตั้งหลายครั้งไม่ว่าที่เป็นป่าซุกกระโตที่เป็นโสพนัด ท, ที่เป็นแพทยแสงเทียนหรือเป็นที่เชียงใหม่หรือที่คลุสติที่มามาจัดอี่เป็นประจําเพื่อไปเข้าคอท์ห้าเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้โอเคเข้าใจเกณฑ์นีนะ้ทีนี้ถามว่าทําไม ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนต้องทำอย่างเนี้บ่อยๆมาอบรมแค่นี้ก็เป็นคนดีแล้วนะแค่วันเสาร์อาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยได้ตั้งเยอะแล้วแต่ถามว่าเข้าใจถูกไหมเพราะเราเน้นที่เข้าใจถูกต้องเคยมาที่นี่หลายครั้งเลยใช่มหมสองครั้งหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยเ ข, ข้อยอเจ็ดวันใช่ยังไม่เคยเก็บบรมเจ็ดวันเลยนะอ่า เอาไปใช้ได้ไหมคําว่าเอาไปใช้ได้ไหมคือว่าก่อนคุณจะหยิบอะไรเนี่ยคุณรู้สึกตัวเสก่อนแล้วก็หยิบมาอย่างรู้เนื้อรู้ตัวและก่อนที่จะวางอะไรก็วางอย่างรู้รู้ตัวอย่างนี้ไหมอยู่ที่บ้านไม่ใช่ไหมอยากป๊กกัมาเลยใช่ไหมะจะวางก็ประวางเลยใช่ไหมอันนี้เรียกว่ายัางใช้ไม่เป็นน่ะ หยิบสิครั้งมีสักครั้งไหมด้วยว่ า, าตั้งใจหยิบเราตั้งใจวางสักสิครั้งมีสักครั้งไหมว่าตั้งใจหยิบเราตั้งใจวางจะเป็นแก้วน้ําจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ตามมีไหมพอถึงสิบครั้งนะในสิครั้งเนี่ยทำได้สักกี่ครั้งฮะถ้าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วนะเรื <c ười> ่องใช้เป็นตั้งใจนะแต่วางโดยไม่รู้สึกตัวนะหยิบแล้วก็วางโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เป็นของเดิมของเราเใช่ไหมนะ ดังนั้นพระริจ่าท่านท่านบอกว่าช่วช้างเคาะหูช่วงงูแลบดินมีอันนี้สูงมากก็คือมันมันเริ่มต้นตรงนี้แหละแม้แต่ครั้งเดียวแต่มันจะเป็นการจุด ป, ประกายให้ชัดเจนต่อไปเหมือนกับฟ้าแลบเป๊ะเดียวเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีเดียวแต่มันเห็น ว, าว่าก็ยังดีกว่า ม, มืดไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยอย่าเอาแว บ, บเดียวเหมือนฟ้าแลบเอาเหมือนกับเปิดไฟแช่เดียวมันสว่างได้ตลอด อันนั้นก็หมายความทุกครั้งที่เราจะเลี้ยวจะเอี้ยวจะกลับจะเดินเนี่ยให้ชัดอยู่เสมอแล้วตรงนี้คือในวิธีการใดสายทำไหนก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอันนี้คือคอนเสิต์หลักของมันนะเพราะตรงนี้แล้วเ้าเข้าสู่วิถีของวิปัสสนาได้แล้วคือการรวมกายกับใจได้คนไหนรวมกายกับใจได้ในร้อยครั้ง สมมติว่าวันหนึ่งคุณมีการหยิบการวางอย่างนี้หยิบตรงนั้นวางตรงนั้นโดยเฉพาะพวกทำงานในในโรงงานเนาะหยิบปับป๊บๆถ้าในร้อยครั้งนะคุณสามารถรับรู้ถึงการจับการเฉยได้ถึง25ครั้งตรงนั้นเรียกว่าเข้าสู่กระแสความรู้สึกตัวไดะ้แล้วแต่คนที่เคยฝึกมาแบบเข้าคอร์สห้าวันเจ็ดวันบ่อย ในการหยิบหยิบหยับจับเฉยหรือก้าวไปถอยกลับเร็วซ้ายไหลขวาสามารถรู้สึกตัวได้ถึงห้าิบครั้งต่อในจํานวนร้อยครั้งนะแต่ทั้งวันมันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งนะแต่ทุกๆจํานวนร้อยครั้งคุณสามารถรู้สึกตัวได้ถึงห้ิบครั้งนั้นหมายความว่าความทุกข์มันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งในความทุกข์ทั้งหมดของชีวิตของเราที่เคยเป็นมานะความทุกข์มันจะลดลงเลย คุณจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรก็ตามปริยัติคุณไม่รู้ไม่แต่ตัวเดียวนะทุกคุณก็ลดลงแต่ขอให้รู้ว่ากายกับใจไปด้วยกันแค่นี้พอแต่บางคนที่เคยเก็บอารมณ์มาสามารถรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวทุกอย่างในการทํําากรทางานตั้งแต่ตื่นนอนมาล้างหน้าแปลงฟันเข้าห้องน้ําหยิบนั่นเฉยนี่สามารถตามรู้สึกตัวได้ถึง 80% 70- ิบถึงแปคนนั้นทุกของคนนั้นทั้งตลอดชีวิต ทุกเขาเหลือจริงๆแค่ 30% อร์ในชีวิตเอ้ยแปดอีกเ็ดสิบเอร์ซนั้นเขาสบายละคนนั้นจะไม่ทุกข์อีกต่อไปอันนี้มีผลยืนยันชัดเจนนะแต่ว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในทุกๆร้อยครั้งเนี่ยถ้าคุณทำได้ตามลำดับนั้นนะนะไม่ใช่ว่า ในร้อยครั้งตอนเช้านี่ยโอ้โหทำได้มากเลยแปดสิบเลยพอร้อยครั้งตอนสายมันเหลือแค่สิบเดียวเหลือแค่ห้าอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้เรียกว่ามันยังไม่เสถียร เ, เขาว่ายี่สิบห้าต้องยี่สิบห้าได้ตลอดทั้งวันห้าสิบห้าสิบได้ทั้งวันตอนเช้าได้อารมณ์ดีมากโอ้โหแดสิบครั้งต่อในร้อยครั้งเลยนะถ้สสายไปไหนมันเริ่มลดเหลือ อาห้าสิบสามสิบยี่สิบบางทีไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยในร้อยครั้งเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นมักอยู่เป็นมักอยู่ยังไม่ใช่ผลคือมันไม่แน่นอนอะ่ะคุณรู้ไหมว่าดอกมะม่วงออกมาเต็มสะพั่งทั้งต้นเนี่ยมันจะติดลูกทุกลูกเป็นไปได้ไหม ถ้าต้นไม้ต้นมะม่วงต้นนั้นมันมันติดลูกทุกดอกที่มันเป็นเนี่ยต้นมะม่วงต้นนั้นจะอยู่ได้ไหมไม่ได้มันไม่หักตายมันก็ตายไปเลยนะมันเยอะเกินไปนั้นเรียกว่ามัดของมันมัดนี่มีเยอะแต่เมือ่อผ่านไปเดือนสองเดือนเราเริ่มจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเอตอนแรกติดลูกเยอะหน่อยพอเดือนต่อไปเหลือลงลดลดลดลงมาในหมื่นดอก มันจะเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยร้อยลูกอ่ะใช่ไหมมันก็จะลดลงเรื่อยๆชั้นใดก็ดีการตามกําหนดรู้ไปจําวันได้มากขนาดไหนนั่นคือดอกของมันและในวันต่อไปทําได้อีกไหมในวันต่อไปมันลวงลวงล่วงล่วล่วงลงไปเรื่อยๆแล้วในเดือนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกตัวที่คุณว่าได้ตั้งเยอะเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ก็เหมือนดอกบัม่วงมันล่วงไปแล้วมันเหลือลูกกี่ลูกนั่นแหละคือผลมันและในผลที่ติดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะสูงได้ทุกลูกอ่ะใช่ไหมอ่า ไปอีกหน่อยตอนหนุ่มๆขึ้นมาสุกสอยไปกินแล้วหนุ่มขึ้นมาแกอีกหน่อยเอาไปตำน้ำพลิกแล้วแก่ขึ้นมาอีกหน่อยเขาเด็ดไปกินแล้วถึงไปเหลือผลสุกจริงๆบางทีเหลือไม่กี่ลูกนะใช่ไหมไม่ถึงสิบลูกอะใช่ไหมจากหมื่นดอกนะชั้นใดก็ชั้นนั้นในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราเก็บไปทุกๆุทุกขนาดเนี่ยให้เก็บให้มากไว้ก่อนเพื่เผื่อว่ามันเหลือติดอยู่บ้าง เท่านั้นเองอันนี้เมกเซนไหมเมกเซนนะคือไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะเขาว่าเมกเซนนี่นะอันนี้ภาษาต่างประเทศ น, นะมันสมเหตุสมผลตามธรรมชาติเพราะฉนั้นเขาว่าธรรมะหรือธรรมชาติไม่มีอะไรบังเอิญมันจะต้องมีขบวนการในเหตุผลสมบูรณ์ในตัวของมันแต่เรื่องของบังเอิญโดยที่มันมันเป็นเรื่องของไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาเป็นเรื่องของความสมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยพระเจ้าบรรลุวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา ทางลู่ปธรรมด้วยที่นักวิชาชุดค้นคว้าอะไรทุกวันทุกพุทธิเจ้าบรรลุรู้มาหมดแล้วแต่ธรรมะไม่สอนทําไม่สอนเรื่องรู่ประธรรมเพราะอะไรแค่ไม่สอนนั่นมันก็ยังแย่งกันขนาดนี้โลกมันจะอยู่ไม่ได้ขนานี้แต่ท่านสอนไม่จะขนาดไหนท่ น, นั้นก็เลยไม่สอนตรงข้ามมาดับความอยากเสียมันจะได้ไม่ใช้ใชลูกหรือวัตถุสิ้นเปลืองนะท่านเคยสอนตรงข้ามเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษากายกับใจให้ตามรู้ด้วยกันไปอย่าง อัตโนมัติตลอดเวลานั้นเป็นจุดสูงสุดที่ชีวิตต้องการร้อเซนต์ไม่ใช่ว่าวันนี้ได้ร้อวันต่อไปเหลือแค่สิอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะมันยังไม่แน่นอนนะมันนั้นเราต้องทําไปทำไปทาไปทําไปเรื่อยๆอทําจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสยัยเมื่อกลายเป็นนิสยัยกลายเป็นแล้วกชีวิตวก็เปลี่ยนไปชีวิตของเรานิสยัยเดิมเราเป็นคนขี้เกียจ พอทาไปได้ผลหน่อยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นความข ย, ยันนิสัยเดิมเราเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายทำไปสักพักหนึ่งพอรวมกายลมใจได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นเรากับเออใจเย็นขึ้นเนี่ยมันก็ค่ เ, ค เ, คเปลี่ยนไปเงี้ยพอทำไปกายกับใจอยู่ด้วยกันมากขึ้นอะไรมากระทบอ่าสิบครั้งเนะี่ยรู้สึกมันตอบสนองสักสามครั้งไม่ตอบสนองเฉยรู้เฉยๆฉคเจ็ดครั้งอ่ามันก็เริ่มดีขึ้นละ จิตใจก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆในที่สุดกระทบทั้งวันแต่ไม่รู้สึก อ, อะไรเลยแต่เรารู้ทุกเรื่องนะแต่ไม่ได้ตอบสนองว่าดีใจหรือไม่ดีใจและตอบสนองตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมด้วยสติปัญญามันจะเปลี่ยนตัวอวิชามาเป็นวิชาจะเปลี่ยนตัวโมหามาเป็นปัญญาจะเปลี่ยนตัวราฆามาเป็นศีลจะเปลี่ยนโทสงมงเป็นสมาธิจะเปลี่ยนโมหามาเป็นปัญญาตามลาดับของมันเลยในตัวรู้ตัวตั ว, ตวนี้แหละ แต่การที่เราจะมีความมั่นใจในตัวนี้อย่างลึกซึ้งอย่างถือจิตถือใจยากมากเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาของเราเนี่ยเข้มแข็งแค่ไหนที่จะทำเรื่องนี้สองบางคนมีศรัทธาเต็มเปี่ยมแล้วนะความเพียรที่จะลงัวพิสุทธ์ศรัทธามีพอไหมเออสันศรัทธาแค่นี้แต่จะไปเดินจงกรมทำสร้างจังหวะเดินจงกมเองได้ ว่างก็ทำว่างก็ทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมตรงนี้วัดกันตรงนั้นมีอยู่เกณฑ์ที่วัดได้ห้าอย่างว่าความรู้สึกตัวของเราตรงนี้จะได้ผลมากแค่ไหนอ ย, อยู่ห้าอย่างหนึ่งศรัทธาความรักฉันทะเนี่ยความรักที่จะทำมากพอไหมสองเมื่อรักที่จะทำแล้วตั้งใจที่จะพิสูจน์ตามขั้นตอนมีมากพอไหมสามพิสูจน์ตามขั้นตอนแล้วสติสมาธิปัญญาเนี่ยปรากฏไหม ในช่วงที่ทําประกอบด้วยสาตัวนี่ไหมประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาที่ถูกต้องตรงนั้นสิ่งที่เราทําทั้งหมดมันถึงจะได้ผลขึ้นมาตัวนี้ท่านจึงเรียกว่าตัวอินรีย์อินรีย์าถ้าหากว่าเรายังมีน้อยอยู่ยังไม่ชัดเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจนสมมุติว่าเราเคยเป็นคนขี้เกียจบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นขยันขึ้นมาบ้างแต่เปอร์เซ็นยังต่ําอยู่ใช่ไหมแสดงว่าตัว5อย่างนี้ยังไม่เข้มแข็ง แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเออขี้เกียจร้อยครั้งมันสามารถพลิกมาเป็นความขยันได้ถึงห้าสิบครั้งก็เหลือขี้เกียจอีกห้าสิบครั้งก็ต้องเพิ่มกําลังศรัทธาเพิ่มกาลังความเพียรให้มากขึ้นไปอีกแล้วปรับความถูกต้องของสติสมาธิปัญญาศรัทธาและความเพียรเป็นเป็นหลักของพุทธศาสนาแต่ถ้าศรัทธาที่ไม่มีความเพียรเป็นศาสนาอื่น อ่าเป็นศาสนาศาสนาทุกศาสนาเริ่มต้นด้วยศรัทธาทั้งนั้นแต่ในพุทธศาสนาต้องมีความเพียรแต่ความเพียร น, นี้จะเปลี่ยนเป็นศรัทธาหรือเป็นปัญญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าความเพียรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าความเพียรถูกต้องเปลี่ยนศรัทธาเป็นปัญญาถ้าความเพียรไม่ถูกต้องไม่สามารถจะเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นปัญญาได้ก็ยังเป็นนอกพุทธศาสน า, าอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้พิสูจน์กันดูนะ โอเคจากนี้ไปเราจะเดินจูกลมร่วมกันสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวขณะจะพุ่งลุกนะวิธีการลุกลุกอย่างอยิ่งอย่างรู้สึกตัวนะขณะนี้เรานั่งในอิบุนี่จะอาการให้ดีทีนี้ในขณะที่ลุกเราจะเห็นอาการที่เรานั่งอยู่เนี่ยความหนักที่เรานั่งเท้าพี่เนี่ยร้อยเปอร์เซนเราขยับมาแค่นี้ความหนักหายไปเท่าไหร่สิ พยายามไปมากเน่สิบสามจนกระทั่งยืนได้เรียบร้อยปั๊บเราจะเห็นความหนักหายไปคอมพลีทลิงรเอร์ซแล้วก็ตัวเบาเกิดขึ้นมาร0อร์เซได้อย่างไรลักษณะนี้ต้องฝึกบ่อยๆรู้ตัวอะไรฝึกมันนั้นถ้าคนไหนขยันฝึกไหมเพราะว่าออมีความรักที่จะทำมีความเพียรที่จะพยายามทำจากเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าหากเราเริ่มเป็นนะเรื่อยเื ไฟที่มันจะไหม้ตึกข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากไฟรุ่นใหญ่น่ะมันแค่หงวงวัวไม่ขีดประกายไฟช็อตนิดเดียวแค่นั้นแหละแต่มันก็ไปท้างหลังฉันใดก็ดีตัวรู้สึกตัวที่มันเริ่มประกายนิดๆเหล่านี้แหละถ้าเราไปใส่เชื้อใส่ความเพียรใส่ความศรัทธาไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ขึ้นนะโอเคตอนนี้เรานั่งแบบนี้ใช่ไห ม, อมลองดูนะสวนใหญ่นั่งแบบไหนพเพียบใช่ไหม เริ่มต้นจะพาทํหนึ่งน้มตัวมาก่อนสองยกตะโพกขึ้น3ยายันเขานั่งชันเขา่าสบิดตัวไปข้างซ้ายหยกฝ่าเท้าข้างขวายันพื้น6ยกลงตัวไปหน้านิดหน่อยเจดยันขาหลังขึ้น8ดชิดเท้า ถามว่าความรู้สึกหนักไม่สบายไม่ขี้หายไปได้อย่างไรเนี่ยทันได้เห็นไหมมันไวมากเลยใช่ไหมมันไวมากดังนั้นเวลาไปนั่งตั้งใจทําจริงๆล้วก็ค่อยยกทิเลนนิดให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้เรียกว่าเห็นอาการของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นอาการอย่างนี้บ่อยๆตัวอาการอนิจจังทขังนั้นนี้ก็จะเกิดเป็นตัวญาณปัญญาที่ว่าตัวแต่ลักษ คืออารมณ์ของวิพสนาคือมันเป็นอย่างนี้คือได้เห็นขบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคืออันนี้จงทุกขังนาตานั่นเองเอามาแปลมภาษาไทยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเห็นชัดบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตของเราก็เริ่มดึงกายกับจิตมาอยู่ด้วยกันบ่อยเข้า โอเคตอนนี้เคลียร์พื้นที่โดยการเอาสัมภาระของท่านวางไว้บนอาสนะที่นั่งแล้วเปิดช่องตรงกลางไว้เราจะใช้ช่องตรงกลางไปที่โดยจงกลมเรานั่งมานานล้วเนาะเราเดินสักพักหนึ่งเพื่อเส้นสายขยายตัวจะได้ไม่หนัาเพินไป mm hmm. อา้าวท่าน <c oughs> สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่นั่งด้านหลังลุกขึ้นมาเดินเป็นช่องเอาแถวหน้าเดินขึ้นมาเลยแถวหน้าเดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาชนตรงนี้เลยคนหลังก็ตามขึ้นมาขยับช่องให้กระชับ กระชิดขึ้นนิดหนึ่งเพื่อเรามี ร, รูมด้านหลังที่จะเดินได้ขยับได้พอไปถึงเก้าอี้แล้วก็ยืนแถวหลังก็เดินขยับเข้าไปากระชับช่องเข้าไปให้แคบนิดนึงเพื่อเราจะมีช่องว่างที่เดินได้ยาวขึ้นแถวหลังสุดเรามาถึงซีดแถวนี้กันแล้วกันเนาะในซีดแถวหลังสุด ก้าวไปข้างหน้าอย่างนั้ยเราก็ได้คนละเจ็ดหรือแปดก้าวเลยละขึ้นมาถึงอาสนะสมเลยทีเดียวแถวหน้าที่เดินมาถึงแล้วก็อย่าเพิ่งเลี้ยวกลับนะให้แถวหลังกระชับเข้ามาเรื่อยๆก่อนเพื่อจะได้มีช่องว่างที่จะเดินกระชับเข้ามาสายตาดูเฉพาะหน้าแล้วก็ใจดูความรู้สึกของเท้าที่เราเหยียบลงไปว่าเบาแค่ไหนนะักพอเสร็จแล้วเดินก้าวหน้าเลย พอหมุนตัวกลับก็เดินเลยนะแถวหลังสุดนะเท้าเรากรู้สึกเบาผ่อนคลายเวลาเหยียบลงไปเราจะเห็นน้ําหนักของเท้าเคลื่อนตัวขึ้นมาตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเขา่าถึงขาถึงเอวในกรณีที่คนที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนก็สัมผัสการอาการตึงของฝ่าเท้าขึ้นมาทะลุถึง ขาถึงเอวได้ง่ายขึ้นเมื่อเราจะเดินมานะนั่งมานานก็ตามเวลาเดินถ้าเราไม่ตั้งใจดูความผ่อนคลายของฝ่าเท้าของขาของหลังของไหลเราก็จะตึงแต่ถ้าเราตั้งใจเฝ้าดูมันก็จะผ่อนคลายพอเราเดินในอาการที่เบาและนุ่มความผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราเดินด้วยความกด เกรงเพ่งจ้องมันก็จะเกิดอาการเกริงให้สังเกตว่าเวลาเราขยับเท้าอาการหนักก็จะหายไปเวลาเหยียบอาการก็จะวิ่งขึ้นการหนักก็จะวิ่งขึ้นตามฝ่าเท้าลงม า, มาข้อเท้าลงมาน่องมาขามาดะโพกมาเอวมาหลังมาไหลเราจะคนไหนจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ชัดเจนกว่าไหนแล้วแต่ความรู้สึกของค น, นั้นละเอียดอ่อนแค่ไหนนะทีในรอบต่อไปเราจะ รอบจะไปเราจะถอยหลังนะะสมมุติว่าคนเรารอบเดินเนี่ยเรายืนณจุดไหนเนี่ยก็ให้ถอยไปถึงจุดนั้นแถวหน้าสุดก็ต้องถอยมาถึงมาถึงแถวนี้นะแถวหลังสุดก็ถอยไปถึงจุดนั้นทีนี้มันก็จะเกิดอาการระแวงใช่ไหมขนาดถอยระแวงว่าเราจะไปเหยียบ ผมไม่เท้าเพื่อนหรือเปล่าไอ้คนข้างหลังก็ระวังเอาเองก็แล้วกันนะว่าเขาจะนี่อันนี้ก็เป็นการใช้สติขึ้นมาสัมปชัญญะขึ้นมาเยอะมากเลยนะในการถอยหลังเอาเก้าไปข้างหน้าก่อนรอให้แถวหลังกระชับจะกระชับให้มาแถวหลังจําให้ได้ด้วยว่าตัวเองขึ้นมาถึงจุดไหนเดี๋ยวเวลาถอยหลังเราจะได้ถอยมาหลังมาถึงจุดนั้นเหมือนกันเอาเสร็จแล้วถอยอันนี้เรียกว่าปฏิกันเตะสูบเท้าถอยหลัง ไม่ต้องระแวงว่าจะเหยียบหัวมไม่เท้าใครนะเดี๋ยวคุหลังเขาระวั ง, งให้สังเกตว่าระหว่างเดินก้าวหน้าและถอยหลังอันไหนรู้สึกผ่อนคลายและสบายกว่ากี่เราก้าวมาถึงซิด น, นี้ใช่ไหมให้สังเกตให้ชัดว่าการก้าวไปข้างหน้าและการถอยหลังความรู้สึกอันไหนสบายกว่าความรู้สึกอันไหนรู้สึกตัวมากพวกพร้อมได้มากกว่าพยายามตั้งตัวให้ตรงอย่าให้ตัวโค้งคอมหรือโกงอยู่ด้านหลังก็ต้องมองว่าอย่าให้ช่องว่างห่างเกินไปพยายามประชับช่องว่าง เพื่อคนด้านหน้าจะได้ถอยไปได้บางทีเราลืมเหลียวดูข้างหลังก็จริงด้านหลังของเราช่องว่างเพิงเยอะแถวมาถึงแถวที่สมใช่ไหมที่เราตกลงกันเมื่อกี้นะแถวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราหันหลังนกลับเสร็จแล้วก็เรายังไม่ยังไม่หันหลังกลับนะเรายังยืนหันหน้าไปทางนู้นเหมือนเดิมแถวหน้าเมื่อกี้คงจะจําได้มะว่าตอนที่เดินมา เสร็จแล้วถอยหลังปฏิกันเตถอยหลังกลับที่ยังห่างอยู่ว่ากระชับออกมาแถวหน้านุ้มไม่กินคุณยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมาถึงตรงนั้นคุณก็ถอยตรงกล้าข้างหน้าอย่าเพิ่งหมุนตัวกลับหันหน้าไปทางนู้นก่อนก็เราจะต้องถอยหลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทดสอบระหว่างการเข้าวหน้าและถอยหลังเนี่ยอันไหนรู้สึกเกร็งอันไหนรู้สึกสบายให้เห็นความรู้สึกเล็กๆน้อยให้ชัดนะเสร็จแล้วถอยกลับอีกครั้งหนึ่ง ก้าวหน้าอีกครั้งเดินไปข้างหน้าต่อเสร็จแล้วเราจะยืนสร้างจังหวะรวมกันสักพักหนึ่งว่าระหว่างการยืนกับการเดินห่างกันอย่างไร